จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามถ้าผู้ใดสนใจก็ขอเชิญเข้ามาถามได้วันนี้เอาแม่น้องพี่เคก่อน อ, อ่ะสวัสดีจ้าถามนามส ก, การค่ะพระอาจารย์ ต้องพี่เคยังไม่กลับมาเลยยังไม่กลับค่ะกับวันเสาร์ค่ะพระอาจารย์อืค่ะยังไงสบายดีนะสบายดีค่ะวันนี้มีเรื่องมากักเรียนพระอาจารย์แล้วก็ของพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะมอะว่ามาเลยค่ะก็คือที่ได้ไปปฏิบัติธรรมเมื่ออ่าวันปีใหม่่ะนะคะพระอาจารย์อ่า มีเพ อ, เอินไปเจอพี่แม่เขาท่านหนึ่งนะคะเขาฝากกราบพระอาจาร์มาค่ะเขาบอกว่าเขาเคยไปกราพระอาจาร์ที่กุติตั้งแต่อยู่บนเขาเมื่อสิบสามสิบสี่ปีก่อนนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็อ่านหนังสือพระอาจารย์เล่มที่สามสิบสามหรือตอนที่สาสิสามหนูหนไม่แน่ใจเขาบอกว่าพออ่านจบปุ๊บเขาปิดหนังสือแล้วเขาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ตัดสินใจออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนั้นนะคะจนวันเนี้ย สิบสามปีแล้วค่ะเขาบอกว่าเขายึดตามคำสอนที่พระอาจารย์เขียนไว้ในหนังสือค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าอยากเรียนพระอาจารย์ว่ามันใช้ได้ผลจริงๆแล้วกเ็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอื่นนะคะว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนมันมันทำได้ได้จริงๆค่ ะ, ะก็เลยกลับเรียนมาค่ะเอาเรื่องปอมมามาเล่าให้ฟังเงี้ยงนี้ บอกว่าเขาเขาเขาเขาดีใจมากเลยแต่ไม่ทราบว่าจะเรียกได้ว่าเขาเป็นสิทธิ์พระอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าเคยไปกราบแค่ครั้งเดียวค่ะคำว่าสิทธิ์ก็คือผู้ศึกษาอศึกษาจากใครก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้นั้นไปโดยที่ผู้ที่ให้การศึกษาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้าไปก็ได้อย่างเราเป็นสิทธิ์พระพุทธเจ้าทุกคนใช่ไหมอพอเราศึกษาประทำคําสอนของพระพุทธเจ้า คำถามใดที่เราทําปฏิบัติศึกษาแล้วปฏิบัติตามคำสอนก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ได้โดยที่ไม่ต้องเจอกันไม่ต้องรู้จักกันก็ได้ค่หนังสือที่เขาพูดถึงคงยจะหมายถึงกําลังใจเล่มที่สามสิบสามเราไปเปิดดูในเว็บก็มีพระสุชาติค่ะเขาบอกว่าอ่านเล่มนั้นเลยค่ะเขาตัดสินใจเขาเป็นนักเคมีนะคะมีครอบครัวเขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเก็บของไม่เอาอะไรมาเลยแล้วก็ขึ้นรถบัส โทรศัพท์ก็ไม่เอามาไม่เอาอะไรมาเลยขึ้นรถบัสไปวัดป่าเลยค่ะพระอาจารย์แล้วไม่ติดต่อกลับไปที่ที่ครอบครัวอีกเลยค่ะวัดที่ที่พูดถึงนี้อยู่ที่ไหนนะที่จังหวัดเลยค่ะพอดีพี่เขาอย่างที่บอกว่าเขาเขาเขาไม่ได้ติดต่อทางทางครอบครัวเขานะคะเขาก็เลยเอบอกว่าขอไม่เอ่ยชื่อนะคะนนะคะได้ไไดพระอาจารย์ วควกลัวปัญหาของเยตัดไปแล้วมั้งสิบสามสิบามปีทางพ่อแม่เขายังอยู่ค่ะเขายังติดต่อพ่อแม่แต่ว่าทางสามีเขาเนื่องจากสามีเขาเขาบอกว่าเขาได้คู่ชีวิตที่ดีมากแล้วเขาเอตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกเลือ ก, อกทางสงบป่ะค่ะพระอาจารย์เขาก็เลยจําเป็นจะต้องจะต้องทิ้งไปอ่ะค่ะอืมแล้วเขาไปอยู่ในวัดป่าจริงๆค่ะพระอาจารย์ทั้งวัดไม่มีใครเลยมี <laughs> มีเขาคนเดียวแล้วก็มีหนูเข้าไปแต่ว่าอยู่กันห่างไกลกันนะคะ<ด>่ะค่ะ แต่ปไปปฏิบัติต้องวัดเงีเงยบๆคนน้อยๆไม่มีเลยพระอาจารย์เพราะว่าเขาเขาเขามีทางเดินแต่ก่อนเขาบอกว่าก่อนที่จะสร้างกุฏิ์นะคะเป็นป่าเขาก็เดินในป่ามืดๆอย่างนั้นนะคะเดินจงกรมทั้งคืนนะคะจนไ ม, ไม่มีพระอยู่เล ย, เลยที่ <laughs> มีพระค่ะแต่ว่าพระก็อยู่ในส่วนของทางพระค่ะพระอาจารย์ที่เป็นแม่ขามีคนเดียวแล้วก็มีมีกุฏิมีเรือนนอนอะไรนะคะแต่ไม่มีใครมาปฏิบัตินะคะ แล้วต้องทํำกิจอะไรให้กับทางวัดหรือเปล่าวันวันอ๋อตอนเช้าก็จะมีไปอถวายจังหันเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นก็แยกปฏิบัติวันนี้จะแบบว่าอปฏิบัติตามตามตามเขาเรียกยไง น, น, นะคะตามจริตได้เลย อ, อยากอยากลงมาช่วยก็ลงมาช่วยอยากจะไปปิกวิเวกก็ปีกไปเลยค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขามีชาวบ้านที่จะมาจัดจังหันจากนั้นชาวบ้านก็จะกลับบ้านไปค่ะอืม เพื่อปล่อยให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี้อยู่ตา ม, มาอาัธยายัยใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ไม่มีใครันค่ะมีมาวันวันวั น, ว, นวันปีใหม่วันเดียวที่เขามาช่วยงานวัดนะคะแล้วก็มาอยู่วัดแล้วก็เขาก็กลับกันไปพอหนูไปก็กลายเป็นเป็นหนูกับพี่เขาแต่อยู่คนละที่ไม่ได้เจอกันในวันแรกนะคะแลหนูไปเจอไปรู้จักที่ได้ยังไงน ะ, ะหนูตามจากพระอาจารย์ที่ ที่หนูค่ะแล้วท่านกลับไปจาวัดที่นี่แล้วค่ะหนูก็คิดว่าเออหนูไม่เคยไปวัดป่าหอยากลองไปดูว่าเป็นยังไงว่าหนูอยู่ได้ไหมตอนแรกหนูคิดว่าหนูหนูหนูไม่ไม่มีไม่มีในหัวเลยค่ะพระอาจารย์ว่าวัดป่าจริงๆเป็นยังไงพอไปเจอแล้วหนูก็อ๋อเป็นแบบนี้เองแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเราไม่เคยอยู่วัดคนเดียวเนอะแล้วไม่เคยนอนพักคนเดียวจอยู่ไหวไหมนะ ในนาทีแรกอะค่ะพระอาจารย์แต่เมื่อไปถึงแล้วก็แบบต้องต้องสู้แล้วแหละพระอาจารย์บอกให้ไปเลยหนูก็ไปเลยค่ะจังหวัดเลยค่ะอ mm ืม hmm. เสร็จแล้วอ่าจับไว้ต่อจากนี้ก็จะเป็นคําถามหนูนะคะคือ mm hmm. หลังจากที่หนูเข้าไปถึงวัดแล้วมีมีคนไปรับแล้วก็ไปส่งจากนั้นอ่ารับศีลจากพระท่านแล้วก็แยกออกมาเลยคะ่ะสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเองในคืนแรกอะคะ่ะพระอาจารย์หนูกลับมานั่งสวดมนต์เองที่วัดเนื่องจาก ไม่เคยปฏิบัติแบบขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าต้องทำสติให้ให้ให้ให้แข็งแรงกว่านี้ตามที่พระอาจารย์บอกว่าลองสวดมนต์หรืออะไรใช่ไหมคะหนูกหนูกก็นั่งสวดมนต์ไปจนจบไปประมาณสองสามชั่วโมงได้คะ่ะพระอาจารย์เพื่อแบบดึงสติให้อยู่กับตัวน่าจะประมาณใกล้ใกล้ห้าทุ่มหนูถึงแบบรู้สึกว่าน่าจะพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อก็ลงลงนอนไปนะคะนอนไปจนอ่า ได้ยินเสียงไก่ขันค่ะว่านันนึกว่าเช้าแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มาดูเ อ, อ้อปรากฏว่ามันเพิ่งตีสองเจ็ดนาทีหนูก็เลยตามมันตื่นแล้วล่ะค่ะแต่แบบนอนอีกชั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าร่างกายยังรู้สึกเพียพรุ่งนี้จะได้มีแรงหนูก็สลับหันไปตะแคงไปอีกด้านหนึ่งแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้อีกด้านหนึ่งไม่กี่นาทีหลังจากนั้นค่ะว่านันประมาณสองสมนาทีหนูยังมีสติพร้อมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะไม่ได้หลับเลยตื่นอยู่แต่หลับตามันมี อะไรบางอย่างกระโดดขึ้นมาบนเตียงหนูค่ะพระอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็วูบเข้ามาเดินรอบเตียงหนูคือมันเป็นเตียงเหล็กเตียงพ้านะคะมันจะมีแผนแผ่นเหล็กแล้วหนูก็ปูผ้าหนวมข้างบนนั้นเวลาเดินขึ้นมามันก็จะโยบยาบโยบยา บ, ยาบคือได้ยินเสียงชัดแล้วก็เป็นเหมือน pressure air หนักมากอะค่ะพระอาจารย์เดินรอบๆอบหนูวนไปวนมาหนูก็คิดในใจตอนนั้นเลยว่า สิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่าวิญญาณหนูกลัวมากค่ะนาทีนั้นนะหนูหนูคิดได้แต่พุทโธหนูก็นอนหลับตาแล้วก็พุทโธพุดโธไปแต่ความกลัวมันไม่หายไปเลยค่ะว่าอาจารย์หนูพยายามสวดเร็วขึ้นเร็วขึ้นพุดโธพุดโธมันมันยิ่งมันยิ่งทวีความกลัวก็เลยนึกถึงคาพ่ออาจารย์ว่าเอออะไรจะเกิดก็เกิดถ้าจะตายก็ตายหนูก็เลยนอนเฉยๆค่ะพ่ออาจารย์เขาก็ยังกระโดดเขายัางวิ่งอยู่รอบตัวหนู คือมันไม่ได้แค่ยินเสียงนะคะมันเป็นเสียงยบ่บยวบยวบ่บแล้วเตียง ม, มันก็ยวอบอะค่ะพระอาจารย์มันเลยยิ่งทําให้กลัวหนูนอนฟังตอนที่ไม่ทําอะไรแล้วไม่สวดไม่ไม่พูดโทรไม่อะไรแล้วแค่นอนหายใจเข้าออกให้เขาออกให้รู้ลมหายใจแค่นั้นนะคะพระอาจารย์ความกลัวมันยิ่งทวีขึ้นนะคะพระอาจารย <K ill> ์ก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีนะจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วเรียกให้คนช่วยก็คิดได้ว่ามันไม่มีใครช่วยได้นี่นะมันอยู่กลางป่าแล้วไม่มีใครเลย มันเป็นตึกสองชั้นนะคะแต่หนูอยู่ตึกอยู่คนเดียวแถบนั้นคือไม่มีใครอะคะ่ะทั้งวัดแล้วหนูก็เลยคิดว่าเอาเอาอีกทีดีไหมเคยจำได้ว่าถ้าเป็นบทสวดยาวๆล่ะมันอาจจะทำให้เราหายกลัวก็ได้ก็เลยนึกถึงบทที่หนูไม่น่าจะสวดผิดนึกถึงบทชินบัญชรนะคะพระอาจารย์สวดไปแรกๆหนูยังตะกุตะกัดคือมันมันอาจจะเกรงด้วยแล้วก็กลัวด้วยกลัวจนจะร้องไห้มันก็เลยสวดไปได้ ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ต้องมานั่งเริ่มใหม่เขาก็ยังวิ่งวิ่งวิ่งวนอยู่ไงค่ะกระโดดกระโดดรอบรอบตัวหนูจนหนูตั้งใจอีกฮึดหนึ่งหรือว่าเขานี้จะลองจะลองอีกทีนึงก็ลองสวดแม้เสียงไม่ออกอะค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ไ ม, มีไม่มีคำผิดเลยจนจบบทนั้นเขาถึงหยุดแล้วก็หนูรู้สึกได้ว่าเออมันได้ผลฮะแล้วหนูก็เลยไม่กล้าหยุดตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคิดว่าน่าจะประมาณตีสองครึ่ง จากตรงนั้นจนถึงหนูกะเอาเองนะคะเพราะว่าบทหนึ่งมันประมาณสองถึงสี่นาทีแล้วแต่นหนูสวดชั้นสวดเร็วสวดเร็วสวดช้านะคะแต่ว่าไม่ผิดเลยสักคำหนูจดจ่ออยู่กับบทสวดจนคิดว่าน่าจะใกล้ร้อยรอบแล้วละ่ะน่าจะประมาณใกล้ๆกล้ตีห้าได้ละล้วก็เลยหยิบหลับตานะคะแล้วก็หยิบโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งอะค่ะมาดูอรปรากฏว่าตีห้าสี่นาทีหนูก็ถึงเริ่มหยุดสวดได้อะค่ะแล้วก็ มามันอนคิดดูว่าแบบความกลัที่สุดในชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้ววิธีที่หนูจัดการกับความกลัวจริงๆแล้วฝากคำถามไปกับไลฟ์ของดร V วเมื่อวันอาทิตย์ะนะคะว่าถ้าเรามีความรู้พร้อมอยู่มันไม่สามารถชนะความกลัวได้อะ่ะมีวิธีที่จะทำยังไงให้เราคลายความกลัวนั้นได้ะะ่ะอาจารย์ใช้สติก็สวนมนไปอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดึงใจให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปจนกว่าใจจะสงบแล้วใจจะวางเฉยได้ถ้าใช้ถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าสิ่งที่ปรากฏนี้มันเป็นตายลักเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ให้เราต้องปล่อยวาง แล้วก็ถ้าเกิดเรากลัวตายเราก็ต้องพิจารณาร่างกายแล้วว่ามันก็เป็นของอันนี้จังทุกข์กันน่าตาเหมือนกันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายอก็ทำ ถ, ถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันไปทำหน้าที่รู้เฉยๆก็รู้ไปออถ้าพิจารณารบแล้วมันก็อาจจะปล่อยได้ปล่อยแล้วมันใจก็จะเย็นแต่สงบยอมตายได้ใจก็จะเย็นใจเยอะขึ้นหมดนั่นหมายความว่า เอคนที่ไม่เคยมีมีประสบการณ์หรือว่าไม่เคยฝึกมาก่อนแบบหนูนนะคะ่ะพระอาจารย์การที่ตัดสินใจแล้วก็มาปฏิบัติแบบวัดป่าอะไรอย่างนี้เลยอะคะ่ะมันมันมันสุ่มเสี่ยงที่จะสมมติว่าหนูลืมตาณ น, น, นาทีนั้นแล้วเจอภาพที่ผับกลัวจนสติแบอบกว่าหลุดไปอะไรอย่างนี้มันมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนว่าจะสามารถที่จะ รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะแต่ถ้าเรามีเราพอมีธรรมะอยู่บ้างเคยศรรึกษาก็ได้ยินได้ฟังว่าเวลาเจอเหตุการณ์อันนี้ก็ใช้ใช้การสวดมนต์ไปอทําใจนิ่งๆเฉยๆไปใช้ปัญญาก็ปบองว่าอย่างมากก็แค่ตายไปมันก็แล้วแต่ใจคนแต่ละคนอันนี้พูดไม่ได้บางคนใจกล้าพอไปอ่ามันก็ดี ถ้าผ่านมาได้แล้วมันก็รู้สึกมันก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าต่อไปเรื่องความกลัวนี่ก็จะอาจจะยังไม่อยู่แต่ก็ยังไม่แต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าไม่กล้าอะไรทำนองนั้นกล้าที่จะเผชิญแล้วก็กล้าที่อยากจะไม่อาจจะอยากจะพิสูจน์ต่อไปว่าเราจะสามารถเอาชนะความกลัวได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าก็ได้ ค่ะพรอาจารย์คืนที่สองยังไม่กล้านอนคนเดียวค่ะเพราะจิตใจยังยังยังไม่ปกติค่ะก็เลยอ่าขอพี่เขาพี่ชาวบ้านที่มาส่งนะคะบอกว่านอนเป็นเพื่อนหนูตอนกลางคืนคือเข้ามาตอนหนึ่งเดือนอะค่ะแล้วก็มานอนเป็นเพื่อนหนูสองคืนแล้วคืนสุดท้ายอะค่ะหนูพี่เขาถามว่าอยากลองไหมคะหนูก็บอกว่าอยากค่ะคืนสุดท้ายหนูก็เลยลองลองนอนคนเดียวค่ะพรอาจารย์ก็ปรากฏว่านอนได้ปนไม่มีอะไร ไม่มีอะไรค่ะจริงๆหนูก็ดีลวไว้นะคะก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าไม่มาทำให้รับรู้ว่า อ, อยู่ตรงนี้หรือว่ามารบกวนกอน็อนุโมทนาบุญไปนะคะแต่ถ้ามาไม่ให้นะคะหนูก็ดีลไปว่าพราว่านอนได้ปกติแล้วหนูก็ออกไปเดินจงกรมในในตรงมืดๆตรงหน้ากุติที่มันเป็นหนูย้ายเรือนอะนะคะไปเรียนไม้แต่ก็ไม่มีใครอยู่ดีเหมือนกัน ข้างหน้าก็เป็นป่าคือดูน่ากลัวกว่าที่ที่ตึกที่หนูอยู่สองชั้นแต่ว่าหนูเดินได้ค่ะเป็นห้องน้ำข้างนอกก็ ก, ก็ก็มีกำลังใจเหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะมัผนผ่านความกลัวที่สุดในชีวิตมามาได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมีความมั่นใจขึ้นนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์ว่า mm hmm. มันคงไม่น่ากลัวอะไรไปกว่านี้แล้วมัง้งแล้วเราก็ดีวไว้ลด้วยค่ะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ก็เลย เป็นประสบการณ์ถ้ า, ถามันย้าหายกลัวอย่างแท้จริงก็ต้องยอมตายไปถ้ามันจะทํำให้เราตายก็ยอมให้มันทำให้รตายเลยถ้ายังไม่ยอมตายแล้ก็ยังไม่มันก็ยังไม่หายกลัวอย่างเป็นก็คือปล่อยยอมอาจจะทําอะไรก็ลองทําอย่างนี้ใช่ไหมคะนาที่นั้น<อ>นาที่นั้ น, น, น, นตอนที่ตอนที่นอนหายใจเข้าหายใจออกคิดว่าอืมอ่ะยอมลองดูซิจะเราเป็นคนส่วนที่ที่มานั้นเป็นอะไรเราไม่ทราบ จะทําอะไรเราได้หรอแล้วก็นั่งดูแต่มันเหมือนกับทวีความกลัวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพัดันค่ะคเราก็ยังไม่ได้ปรองเรายังไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายของเรามันเกิดแล้วก็ต้องตายถ้ามไม่ต้องตายตอนนี้ก็ยอมให้มันตายออืถ้ายอมตรงนั้นได้มันก็มันก็จะหายกลัวไปตลอดแต่ถ้ามันยังไม่ยอมมันเพีงแต่หยุดใช้สติใช้การสวดมนต์ไปมันก็ยัง ยังกลัวได้อยู่เวลาไปอยู่เปลีป่ยนๆคนเดียวมันก็อาจารยังมีความกลัวอยู่ mm hmm. มันรู้ต่ไมันู้อยากกลัวอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ตอนนความกลัวน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอร์เซ็นครับเพราะว่า uh huh. อย่างวันวันวั น, ว น, วนหลังจากวันนั้นนะคะพระอาจารย์พี่พี่แม่ขาวเนี่ยนะคะแกก็เดินพาเดินลัดป่าไปไปกับพระใหญ่ตอนกลางคืนนะคะมันมืดมันเป็นป่าไผ่อะคะ่ะพระอาจารย์เดินในป่าแล้วแก mm hmm. เลือกเดินทางเนี่ยหนูก็โอ โอเคก็กลัวอยู่แต่ว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูเลือกเดินทางมีไฟแน่นอนอันนี้มีแค่แบบไฟมือถืออค่ะพระอาจารย์สองทางแล้วข้างทางเป็นแบบป่าไผ่ป่าแบบคือเรายังไม่ได้พิจารณาร่างกายของเราว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยวไม่ใช่ตัวเราเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา่เลยนับถือพี่ลูกศิษย์พระอาจารย์ท่านนั้นมากเลยบอกว่าแกอยู่คนเดียวแล้วแก เดินอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มืดมืดอย่างเงี้ยคนเดียวไม่มีใครค่ะสุดยอดเคยแกเล่าให้ฟังเขาบอกเคยเจออะไรเขาบอกเลยแกไม่เล่าให้ฟังแกแกเล่าค่ะแกว่าแกก็นอนมาหมดแล้วนะไม่เคยเจออะไรเลยทุกที่ในคือกุฏิกุฏิเนี่ยมีหลายกุฏิมากแต่ไม่มีคนอยู่เลยค่ะพระอาจารย์เป็นกุฏิหลังเดียวก็มีเลือนไม้ก็มีห้องที่เขาชาวบ้านเขาว่าเคยเจอผู้หญิงผมยาวมานั่งหวีผมอะไรแกก็ไปนอนมาแกก็บอกว่าไม่เคยเจออะไรเลย เป็นบ้านร้างหรือไง ไ, ไ, ไ, ไม่มีใครอยู่มีมีคนมาพักนะคะแต่ไม่ได้มีคนมาปฏิบัติธรรมแบบนานๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาแล้วก็ไปกันอย่างเงี้ค่ะพระอาจารย์แล้วพี่เขาก็ทดสอบความกลัวของของแกค่ะทดสอบอะไรต่างๆคแกบอกคืออยู่มาสิบสามปีอะค่ะแกก็บอกแกก็เวียนนอนเวียนหมดเฉพาะกุฏิแกเองก็น่ากลัวค่ะว่ะอาจารย์ด้านหลังเป็นป่าไผ่เลยค่ะไม่มีใครเลยค่ะก็<ค> ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะก็เลย ม, มาแชร์ให้พี่พี่พเพื่อนๆนฟังแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ะที่เมตตาชี้แนะค่ะโอเคค่ะก็ลองไปฝึกปัญญาดูพยายามพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆดูค่ะพระอาจารย์เอจอเหตุาร์อะไรขึ้นมาก็ลองปรงดูค่ะพระอาจารย์จะพยายามไม่แน่ใจว่า จะสู้กับคํามกลัวได้บางน้อยแค่ไหนยังกิเลสยังยึดติดในร่างกายนี้อยู่หรือเปล่าใช่ค่ะพระอาจารย์หนูหนูคิดแต่ว่านาทีนั้นว่าอยากร้องไห้มากแต่ใจมันวกแวกไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์กลัวสวดบทผิดแล้วก็กลัวลืมตาหนูก็จดจ่ออยู่แต่คําต่อคําของบทสวดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้สติเป็นตัวย้ำย้ำความกลัวอไม่ได้ใช้สปัญญาค่ะพระอาจารย์การเอาใจไปจดจ่อกับบทสวดก็ถือว่าเป็น ใช้สติใช้สติเันกลับดูรอมันกับพูดโธยอ๋อค่ะหนูอยู่ท่าเดียวจนตาหนังตากรามเหนี้ยตาอ่อนตกเลยค่ะเพราะมันกดอยู่ตลอดเวลาสามชั่วโมงค่ะอาจารย์เรายังไม่มีภูมิทางปัญญาอย่างพิจารณาไม่เป็นอ่าไม่เคยเจอเลยแล้วก็กลัวที่สุดในชีวิตแล้วค่ะอาจารย์ค่ะไปใหม่ไปบ่อยๆไป่อยได้ได้ค่ะอาจารย์ ต้องปร่งให้ได้ปร่งแล้วจะสบายอี่ใบโม ป, ะ, ปะสมุสุขโภเจบอกทั้งขาไม่เข็งไม่เที่ยงละวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งอแล้วก็โชคดีได้ไปกราบหลวงปู่สมศรีค่ะท่านก็เมตตาว่าพุโทโธอย่าทิ้งนะเอพุโทโธไว้ตลอดนะเดีฝยวเผื่อวัเผื่อเจออิเมอร์เจนซี่เราจะได้พุโทโธพุโทโธไปถ้าอย่างใช้ปัญญาไม่เป็น ค่ะพระอาจารย์ปัญญากานี้จังทุกขังหน้าตายามตายค่ะพระอาจารย์มัตัวเราของเราค่ะพระอาจารย์จะน้อมนําไปปฏิบัติเจ้าค่ะคา ก, การนมัสการเจค่ะเดี๋ยวไปที่ตัวเล็กๆก่อนน้องเลนก่อ น, นะนอเลยเจนนีน้องเลนด้วยมาลองเลนมามาลองเลนปลอดดีครับปลอดดีพี่ใหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับต้องเลยกับกับสาวทูตการกับการสาวพาม่ใช่ต้องาตั้งดรวยไหมทางนี้ลูกมองไม่เห็นต้องตั้งตรงนี้ไม่ใช่ฮะต้องตั้งบนนี้อ้ยอ้าวอ่าโอเคอ่นไม่ดีอ่ะเล่นเล่น้องการบ้านหน่อยครับเรี๋วจะเอามาดไม่ตอมาหะไปไป็นไรเด็ขายอยู่อ๋อไม้บุ้นไวเอ็่นอ่าอ่าเอาเลยอ่ามาอามาจับให้ อ๋อเอาเลยนะโมตสภะคะวะโตอะระหะโตสมาสบุตสัมโมตัสภะคะวะโตอะระหะโตสมาสบุตสัมโมตัสโอ๊ะเออเริ่้ดิดิตัะอต่อครับ หลังจามาถึงสุราษฎพักค่าพาตาวนทะอะเดเะวะานาเาาแต้ำมันน้มันน้ำมันน้ำซาลี่ปีติสุภาสุภาพีปันตัวเราข้ววัดตวเกะเจ ต่ง้งนะอั น, นี้นี่ระผู้พรผู้มีพระภาพระเจเป็นพระว่าตับเมืงเมิอเกลเทูปสิ่งเชิงตตดสรุปชอบด้วยพองค์เองอ่ะ <c oughs> แล้วต่อลูกเอาลุกขึ้นได้แล้วครับ <c oughs> อิติอิติพิโซภควาแล้วนังมาสะรูยิช่าจารย์ซัมปะดก สุตวโลกกวิถีอนุตตรโลกปุริชาธรมกชาติชาชาเทวชาติพุทธกติสวางสว่าข้าตวพระโคตานโม <c oughs> สันทิสันทิทโก อ, อากาศิโกอเอฮิปัสิโ ก, านากปนัยโกปจต่างเวททิจพวิจุพิิโอหูสว่าสว่าข้าตัวพระขาวตาทโม สุปฏิสปฏิส yes. yeah. yeah. yeah. yeah. ุป yeah. ฏ yeah, yeah. yeah. yeah. ิปันโนเพราะถวะโตสาวกสรุงโขคุขุขุสุปฏิปันสุปฏิปันโนเพราะโตสาวสรงโขสรธรมามิกยะยะยะยะสุปฏิปันโนเาะโตสาวกสรงโขสรธรรมะมานมยะที่ทางยะที่ทางอาการจิยะที่ทางจตาริที่ทา จะต้าหนีปุริสายุไห่อาจถาปุริสัมพันธ์เอสาคาข่าวโตถ้าหัวสรางหกอาเอหูเลยเปล่าหเยอยู่้าวขีนเออยู่อันชาลีกุลันนีย์อู่รูตแต่รังบุญจะเหตตังลลกะซลาติปุจี บุญกุศลุนลายที่ข้าพเจ้าได้ทาและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้นแก่บรราท่ารสารกไปแล้วลูกแต่พวท่าบคามนุ้นแล้วสา์ทั้งหลายมันมันช่วยทุกขแก่เี็บใจด้วยกันทั้งหมดชั้นสิ่งเจริญมีเวทนาแก่และเพบาเดเบียจะแกนหลกันเลยขอจงได้คนทุกมีความฉุกเฉินหมดเพื่การเธอสตนและสตารให้่อสาตาสุียงตั้งไปนานนั้น อ่าแข่งมากสดทุกคืนหรือเปล่าครับคืนไหนสดทุกคืนไหมครับเดี๋ยวทีให้ทุกคืนเลยอ่ามีอีกยังไม่จบค่ะหลงพ่ออาต่ออาต่ออ่าแม่เต็ฟันหางเนื้อเอ็นกระดูกเยื่นกระดูกม้ามหัวใจตับถังทางผื่นไตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เน้ำดีน้ำเหลวน้ำดีน้ำสระน้ำดีน้ำเสลน้าเหลืองน้ำเลือดน้าเหลือน้ำมันคุณน้ำมันคุน้ำมเหลวน้ำตาลน้ลายน้ำน้มูกน้ำมูกน้ามูกน้าไข่ลไข่ข้อน้าตา อมูดน้ำตาทั้งหลังวดเก่งมากเก่งมากอะไรต่อจบยังครับเรามีความเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วมคนความแก่ไปไม่ได้เรามีคนตายเป็นธรรมดาจะลุ่มพนความตายเป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาต่ลุ่มพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะต้องสเราจะต้องพัฒนาจากของของกิเิสใจทั้งลายทั้งทรง เราไม่จำของโดนเราจะต้องรับผลของกรนั้นอือโอยความจำดีนะเก่งมากตัวนิดเดียวเราไม่จเป็นแที่ผู้อาวุโสเรามีจําเป็นคผับเรานี้จําเป็นเราเหลื่อยเราไม่จำเป็นผับพันเราไม่จำเราจะทำกรรมไดไว้ดีเรือชั่เราจะต้องรับผลของกํานั้นจบแล้วนะจบแล้วครับจบแล้วครับเก่งมากครับเนีย โชว์ทุกคืนนะครับก่อนนอนดีไหมแล้วนอนหลับพันดีนะข้อหนึ่งข้อสมก็สามห้าลาะครับข้อสามไม่ดีนะเหล่าคนก็เสียงหูดเปิดข้อห้าห้ากินสุลาแล้วเลนเลนเผอชอบทาผิดข้อไหนลูกไม่เลยเก่งมากครับโอเคหมดได้ยังหมดหมดยังครับหมดยังครับหมดแล้วครับ เออพระอาจารย์ค่ะลูกสาวมีมีคําถามจะถามพระอาจารย์ค่ะโยมก็เลยบอกว่าให้ถามพระอาจารย์เองตรงกว่าโยมถามเดี๋ยวโยมตอบผิดอ๋อคือสงสัยค่ะที่บอกว่าอรหันก็คืออรหัอพออรหันแล้วอย่างเงี้ยค่ะจิตจิตคือมันที่ยังอยู่คือคือร่างกายก็คือจะจะจะจะเป็นดับไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจิตที่ยังอยู่คือสงสัยว่ามันคืออยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเอ่าก็มันอยู่แบบ มันไม่ตายไงมันก็ไม่มันอยู่มันมันไม่เกิดไม่ดับอะมันเป็นเหมือนท้องฟ้าอย่างเงี้ยท้องฟ้ามันดับไหมแต่ั้นจะอ่มันเป็นเป็นเปขาเรียกธาตุรู้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดได้และธรรมชาตินี้ไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตลอดอ่นะไม่มีวันสิ้นสุด เพียงแต่ว่ามันมีกิเลสมันหลอกให้มายึดติดกับร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับร่างกายพอเรามีธรรมะแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็อยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ค่คือหมาจิต ท, ที่ที่ที่ที่รับรู้ได้แต่ว่ามันวา่างเปล่าแบบนี้มันไม่ไปยึดติดกับร่างกายมันไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอนนี้เราต้องอาศัยร่างกายเพราะรายังอยากดูรูปเสียงกลิก่นรสอยู่ใช่ไหม แต่ถ้าเราตัดกิเลสได้<น>ไม่อยากไม่ต้องาหาความสุขจากรูปเสียงกินลดได้เราก็ไม่ต้อง<น>มรีร่างกา ย, ยนั่นเองใช่ปอปปี้จิตก็จะลอยอยู่บนบนฟ้าใช่ไหมคะจิตมันอยู่ในโอกทิพย์ไงโลกทิพย์อ่ะอยู่ในโลกธรรมชาติอย่างหนึง่งอเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเหมือนกับดินดน้ําลมไฟเป็นน้ําลมไฟก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ต้องมาเกลี่ย ใช่ง้นเราเราไม่ได้ตายไปกัร่างกายจิตเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ายังมีกิเลสจิตแล้วก็ไปหาร่างกายอีกหมึ่งถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วเราก็ไม่ต้องมีใช้ร่างกายเราอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็มีมีด้วยเหรอมีความสุขเดี่ยพระพเจ้าจิตเขาบอกพระพุทธเจ้าผ่านนั่นถ้าไม่ต้องมีร่างกายถ้าก็แล้ไม่ต้องไม่มาเที่ยวกับร่างกายไปวะล่ะ เข้าใจยังเข้าใจค่ะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติทานสิ่ภาวนาทำทานรักษาสิรักษฝึกสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดบรรยาอันนี้ก็เปิดฝังกับอาม่าอยู่อ่านีไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาไปแล้วจะเข้าใจอะไรนี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจเย็นนะต้องใช้เวลาความรู้นี่มันก็เป็นเหมือนเหมือนวิชาการเรียนหนังสือในโรงเรียนเน่ะไม่ใช่เรียนวันเดียวจะจบ ก็นำไปเรียนทั้งเทอมทั้งปีนะเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็ฉลาดเองความจาดีมากเลยก็ค่ะคุณแม่เขาสอนค่ะอาจารย์ดี่สอนใดเรื้องเด็กๆเนี่ยดีก็จดจำได้ตัวขึ้นเขาสามารถนามาใช้ได้เวลาที่เขาเกิดความกลัวขึ้นมาเขาก็สวดมนต์ไปก็ได้ช่วยทํามช่วยได้เยอะค่ะตอนแบบที่ลูกป่วยหนักๆก็ลืมเข้าถัง เริ่มเข้ามาฟังทาเหมือนกับว่าเขามีหลักเหตุและผลที่ทําให้ช่วยเราได้จริงๆสามารถพิสูจน์ได้ธรรมะพระพุทธเจ้าสันนิติโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้กับความทุกข์ได้ใช่ก็เลยความทุกข์กิจากกิเลสของเราโอเคนะมีอะไรไหมเล่นมาเล่มากลับละเล่นกลับมานอาจารย์ก่อนเลย บรรยากาเลยแล้วนินอะแล้อาบเล็กๆนั่งลูกเหอากาศเอาเร็วพุทโธนอนหลับพันเีนะอังโคแล้วอาจารย์ท้าแข็งแรงนะเจ้าคะโยมยังไม่เลยเจ้าคะโอเคแล้วก็หายใจเย็นหาอยู่เลยอ่อ ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ตายก็ไมันก็หายใช่ค่ะท่านตายแล้วลูกสู้กันไปกับพระอาจารย์แต่โยมบอกเลยพระอาจารย์ถ้าร่างกายเราเป็นอย่างเนี้ยปกติเวลานั่งสมาธิอ่ะยมจะนั่งได้ปกติพระอาจารย์แต่พอร่างกายเป็นอย่างเงี้ยนั่งแบบเดียวอ่ะเราเอ้าทําไมเราแบบถับระงกเป็นเงี้ยต้องดึงตัวเองขึ้นมาต้องแบบพลังมันไม่มีพระอาจารย์กำลังไม่มีดึงตัวเองขึ้นมาตั้งสามสี่รอบเลยค่ะพระอาจารย์มันเกี่ยวกันใช่ไหมทุกคะก็ส่วนมันไปก่อนก็ได้สติอาจจะมีน้อย ใช่ค่ะต้องงงกับตัวเองอุ้ยทำไมทําไมมันถดถอยไปขนาดนี้ไม่ปกตินั่งนด้เราอาจจะไม่อาจจะไม่ฝึกสติไว้ก่อนมันก็เลยสติค่อยน้อแล้วเรอาจจะกินมากแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายอะไรทำนองนี้มันก็ช่วยทําให้การการง่วงนอนนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นจริงเลยค่ะว่าจ์ทานสามื้อเพราะว่าต้องทานยากระดูกอะค่ะมันจะกัดคอกินอาหารแต่ไ่ออกกำงกายมันก็มันก็จะทำให้ง่วงมาก จริงเลยเจ้าค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยถ้าหายเราก็ต้องไปฟื้นตัวใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะอ่จารย์ไปเลยวนะค่ะพระอาจารย์อ่ า, า, า, อาไปที่ไหนต่อ <c oughs> อันนี้จะแม่ต่อจะแม่กับเจ้าที่เอาละก่อนน้ำมาสการพระอาจารย์ครับครับวันนี้มาส่งกันบ้านแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับเอ่ามาครับตอนนี้เริ่มนั่งสี่สิบห้านาทีแล้วครับ ภาพเพิม่มถึงสี่ภาพนะไหวไหมยากไหมก็ไม่ค่อยต่างจากสิบสิบนาทีเท่าไหร่ครับนีโอเคก็ต้องพยายามใช้สติให้มากครับโอเคดีพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วจิตมีความมีมีกําลังเยอะขึ้นไหมรู้สึกมีสติมากขึ้นจิตมีความสงบมากขึ้นไหมครับ ดีคร <oon> ัส <profession nell council ors> ่งกันบ้านต่อเลยครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพากจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้ง่วงเรามีกรรมของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งาอาศัยเราทํางกรรมมันในไว้เ ป, เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสียไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดตอไปอาการถานที่สองมีผมขนแล็บปันหนังเนื้อเอ็นประตู แยกในกระดูดม้าหัวใจตับผังเผึ่งไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าแยกในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเขย่าข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำเขย่าข้อน้ำมูก น้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็จน้ำดีเย่นในสมองศีสษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดใตพังผืดตับหัวใจม้ามแย่นในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังปันเล็บขน โอเคพยายามฝึกปล่อยวางนะสอนเตาอย่าง<ะ>นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราซื้อมาขับไปไหนมาไหน<ะ>วันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันนะอ<ะ>ถ้าอยากจะทิ้งมันเราก็ต้องฝึกสมาธิแล้ว<ะ>เราก็จะทิ้งมันได้ง่ายครับ<ะ>โอเคมีคําถามอะไรไหมไม่มีครับ ไม่มีการทักทิ้ก่อนนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอแล้องทีมต่อท้องทีมเป็นแม่เป็นยังไงได้ ก, กี่สิบนาทีแล้ววันนี้ทีนี้นั่งได้ชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งไม่ขาด ท, นะทุกวันเลยนะั่งเลยทุกวันเลยเเลยไม่ได้ทุกวันครับไม่ไดไ้หายไปไหนนะตื่วันอาทิตย์คัดเหมืนวันเสาร์เป็นวันเสาร์ครับเอีมีโทรา่าเลยเรื่อย ไม่ลืมหรอกค่ะพอาจารย์ขอต่อรองค่ะว่าวันเสาร์ขอหยุดพระอแต่วันวันที่สามสิบเอ็ดเขาเขาเขาไม่ได้นั่งหนูก็เลยบอกว่าเขานั่งชดเชยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเขาก็เลยนั่งไปนั่งไปสองอรอบปะลูกนั่งไปยี่สิบนาทีนั่งไปยี่สิบนาทีแต่ถ้ามีช่วงเบรกใช่ไหมอืก็ดีชดเชยได้ก็ดีนะก็เลยไม่ไม่ขาดทุนในทุกครั้งที่เราทําสมาธินี่เราได้กําไร มันเาเงินเข้าธนาคารฝนาะกเงินในธนาคารบุญคือความสุขใจนี่ยิ่งทํายิ่งสะสมในใจเรามากขึ้นไปเรื่อยๆไม่หายไปไหนนะโอเคหายไปได<ป S>้แล้วเราทินมหลุดไปรือเปล่ า, ลาน่าจะหลุดนะอ๋อเจนหนูเปล่าเอ๊ยยังอยู่นีนทีม้มอ่าไม่เป็นไรเห็นละเห็นเห็นภามื่อกี้ว่าจอมันได้ที่ออ๋ ค่ะพระอาจารย์ก็ของหนูอืมหนูกลับเรียนพระอาจารย์อย่างว่าคือหนูอาจจะอ่านั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้ถึงกับนั่งทุกวันนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนว่าหนูช่วงระหว่างวันหนูอาจจะค่อนข้างจะฝึกสติอะค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้แบบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็พยายามแบบมีจังหวะก็จะพุโทโธพุโทโธคะ่ะทีนี้เมื่อวันเมื่อวันเสาร์อะค่ะพระอาจารย์หนูก็ตั้งใจในการแบบว่าฟังเทศฟังธรรมมากะค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบ เป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หนูาสามารถฟังธรรมพระอาจารย์จนจบแล้วก็นั่งสมาธิต่อเนื่องจนจน จ, นจบอะค่ะพระอาจารย์จนถึงที่พระอาจารย์ให้พรแล้วหนูก็แบบยังไม่อยากออกจากสมาธิอะค่ะแล้วก็นั่งต่อไปได้อีกแป๊บหนึ่งอะค่ะแล้วทีนี้หนูอยากจะเรียนพระอาจารย์ว่ามันต้องใช้กำลังกายมันต้องใช้กาลังใจแบบสูงมากค่ะพระอาจารย์กับสติอะค่ะในการที่จะนั่งให้ได้จนแบบ จนครบจบจนถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะสำหรับหนูนะคะคือคือมันตอนนั้นมันเหมือนแบบมีหินหนักๆแบบมาทับที่ขาแบบว่าทุกอย่างะคะ่ะอาจารย์หนูก็ต้องแบบว่าใช้ใช้สติลดมถึงแบบต้องใช้กําลังใจแบบสูงมากเลยะคะ่ะอาจารย์แล้ก็แบบความแบบตั้งมั่นนะคะที่จะไปให้จนจบ ตามที่ตั้งใจเอาไว้แบบนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอาสุดแท้แล้ว่ค่ะก็ไปถึงจ น, จนจนจบที่ที่ที่เวลาที่พระอาจารย์กําหนดให้นั่งสมาธิจนถึงกีบพระอาจารย์ให้พอแล้วหนูก็ยังแบบยังไม่ออกจากสมาธิค่ะยังนั่งต่อไปอีกหน่อยนึงเลยแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แสดง ว, วสติเราดีสติเราดีแล้วก็จะนั่งได้นานเปพยายามอย่าอย่าขาดสติอย่าปล่อยให้เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผูกใจไว้กับกรรมฐาน แล้วใจก็จะเน่งใจก็จะสงบแล้วก็จะนั่งจะนั่งได้นานอ่าอ่าแล้ว ม, มันก็ใช้กำลังใจสูงมากเลยคนะ่ะ พ, พระเจ้าต้องควพยายามความเพียรสูงมากขันตต ด, ด้วยค่ะความอดทนด้วยอืมว่าัราต่อสู้กับความอยากของกิเลสกิเลสมันอยากจะเริอกอยากจะไปทํานู่นทํานี่แต่เราใช้สติพุโทโธพุโทโธใช้เสียงธรรมที่เราฟังนี่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้อ่า ดีแล้วล่ะทำางนี้ได้ก็ดีพยายามฝึกต่อไปต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะมันจะมันสติมากขึ้นมันจะเฉยสบายยังถึงเวลาหมดมันก็ยังนั่งต่อได้คือคือแต่ว่าถามว่าแบบมันสงบไหมอะค่ะคือครั้งมันก็ไม่ได้สงบแบบหูนิ่งชิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์คือมันยังยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่ไมันมันหูมันใจมันแบบมัน มันชนะมันชนะกิเลสได้มันชนะกิเลสนะที่อยากจะเลิกได้่ก็ดีอ<ะ>ก็เป็นขั้นๆไปนะเราใบสติแล้วมากคือล้ ว, ลวกิเลสที่จะมาต่อต้านเระมันก็มีกําลังน้อยลงแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไม่ต้องต่อสู้กับมันมา ก, า ก, กอือค่ะค่ะแต่ก็ข้อสำคัญคือต้องมีสติผู ก, กาานนะอยู่กับกรรมฐานนะอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับเสียงธรรมที่เราได้ยินได้ฟัง อย่าปล่อยให้ใจไปคิดคิดไปเลยแพ้มันทันทีนะค่ะก็แบบมันจะหลุดแล้วก็แบบแต่แต่โชคดีคือแบบคือนึกถึงว่าตอนนั้นกําลังนั่งอยู่กับพระอาจารย์นะคะ่ะก็คือนึกถึงพระอาจารย์ไว้แล้วก็แบบไม่ได้เราก็คือหนูต้องตั้งมั่นให้ได้ให้หนักมากเลยนะคะว่าเอาอชนะแบบตรงนี้ออกไปให้ได้แบบตั้งเหมือนเหมือนแคให้ตั้งจิตอธิษฐานกับศัจธา ก, กับตัวเองว่าแบบว่า วันนี้ตั้งใจว่าจะนั่งให้ได้แบบมาถึงขนาดนี้แล้วต้องต้องเอาให้จบอะค่ะพะเจนั็เขาเขาก็โซ่จนจนสุดๆเหมือนกันค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันหนักเหมือนกันค่ะพระฉจนว่าคนที่จะเอาชนะกับกิเลสได้แบบมันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยค่ะมันหนักหนักหน่วงจริงจริงอะใช่ขึ้นอยู่กับพลังพลังจิตขึ้นอยู่กับศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาค เราพยายามเสริมสร้างธรรมะเหล่านี้ให้เข้มข้นมากขึ้นไปหนูก็แบบก็ชื่นชมคุณแม่น้องพีเคอะค่ะที่ที่เขาเจ อ, เ อ, อที่พระอาจารย์เตือนหนูว่าถ้าเกิดขึ้นข่าวที่ที่พระอาจารย์เตือนว่าให้ฝึกสติมาให้ดีๆนะแบบอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงียง้ยะแล้วพอฟังคุณแม่น้องพีเคเล่าในสิ่งที่เจอหนูก็กลับมาถามตัวเองไว่าไหวั้ย แต่แต่หนูให้สัจจะไปแล้วไหยคะพนโอเคหนูไม่ไม่ไหวหนูก็ต้องต้องพยายามฝึกฝึกให้ไหวนะคะพระอาจารย์เ็แบบางเวลามีเวลาปีนึงม่ตัดสินใจองหนูก็จะจะไปอาจจะปลายปีเลยค่ะอาจจะก็จะคงไปปลายปี่ะถ้าตอนนี้ถ้าเจอแบบที่แม่น่าพีเกแจกคงจะไม่ไหว หรูไม่มั่นใจอะขอให้จริงๆอะถ้าไม่ถ um ้าไม่ม nope ั่นใจก็อย่าเพิ่งไปนะคือไม่ใช่มันจะคือเหมือนว่าพอเจอคุณแม่น้องพี่เคเล่าแบบเออแบบเอ้ยเราเราถามตัวเองว่าเราจะจะผ่านมันได้อย่างงั้นไหมคือคือหนูก็คงใช้วิธีเดียวกันคือสวดมนต์อะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็แต่สมนุนูสวดมนต์แล้วก็คงจะนึกถึงแต่พระจารนะค่ะแล้วก็คงจะเรียกแต่ชื่อพระจาร์สวดไว้ก็แล้วกันสวดไว้ ดีเฉยคุณแม่ของแบบไม่เคยมีประสบการณ์ไปยังครั้งแรกเขายังไปไปได้เพราะฉะนั้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราก็ต้องเรามีเวลาฝึกซ้อมอะเราต้องไปให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยยังไมีเวลาไปแต่แต่ต้องหวังว่าจะไม่เจอดีกว่าเจอดีจะจะได้ทําข้อสอบไปในตัวเลยมออก็ชิดเขาเก่งมากหนูก็เลยแบบเออดู เราต้องพยายามนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละคือข้อสอบของการปฏิบัติต้องเจอของกลัวความกลัวต้องเจอความเจ็บอะไรเงี้ยคือเราจะจาผ่านมันได้หรือเปล่าคือความเจ็บเนี่ยเคยเจอแล้วแต่ความกลัวเนี่ยอันที่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยค่ะก็เลยยังแบบพอดีเมื่อกี้ได้ข้อคิด จ, จักที่พระอาจารย์ให้ด้วยว่าแบบให้ยอมตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือยอมตายก็ทําอะไรก็ทําแต่ว่าอาจจะจะแบบไม่อยากเห็นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบ ก็เเดี๋ยวพอดีเข้าใจแล้วที่พระอาจารย์สอนว่าเออให้ถ้ากลัวก็ให้คิดว่าให้ยอมตายอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจะลองดูถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ค่ะมาถึงเรื่องอื่นอื่นอ่าถ้าเกิดมีคว<ช>ามกลัวอะไรขึ้นมาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีมสองวิธีสติก็สวดมนต์ไปถ้าปัญญาก็คิดว่าร่างกายมันก็ต้องตายไม่ช้าก็าแล้วอแต่ถึงเวลามันจะตายครับปล่อยให้มันตายไป ฮะฮะได้ค่ะฮะอาจารย์ก็กล่าวขอบคุณพระอาจารย์ว่าเจ้าคา่ะแล่วก็ไม่มีคำถามแลค่ะกล่าวขอบคุณเจ้าค่ะ น, น้องทีมพยายามปฏิบัตินะอย่าทิ้งนะครั บ, รบอโอเคของดีนะอนของดีซื้อไม่ได้นะไปซื้อตามห้างตามร้านไม่ได้ไม่มีขายต้องทําเองค <c oughs> <า>่ะกล่าวขอบคุณพระอาจาพพรย์มากนะเจ้าห า, า, พพ า, าที่เมตตาค่ะ ไปที่คุณยินดีต่อคุณยินดีเป็นยังไงคุณเดวิดมาแล้วหรือมาแล้วค่ะกำลังนี่งสมาธิอยู่พอดีให้ได้ยินค่ะได้ยินเนี่ยโอเคอาทิตนี้ของคุณค่าสุดท้ายแล้วมั้ค่ะสาวก็ต้องเดินทางกับค่ะใช่ค่ะโอเค มีความสงบไหมนังสมาธิสงบไหมสงบไหมสบายใจสงบนะมีความสุขนะโอเคดีเราไม่ทิ้งการันอร์ารย์ไม่ทิ้งกันเขาบอกว่า ม, มีอะไรจะพูดไหม <c oughs> ไม่มีอะไรนะ <c oughs> โอเคดีมาก <c oughs> ก็ขอให้มีความสุขนะ <c oughs> ขให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะพรุ่งนี้ไปกากน่าจะเหมือนเดิมโอเคาทุกฮาทุกค่ะ่าจะโอวาโอวาใช่ภาษาโอว้าโอวาฮาทุกไงโอเคฮาทุกบายบาย굿ไนท์โอเคงินไปที่คุณอ้อมต่อคุณอ้อมยังไงใจความกัวแบบนี้ยังอ้อม มนมทศการค่ะพระอาจารย์ถ้าเจอแบบนี้กลัวไหมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่วันแรกอะคะ่ะเพราะว่าตอนที่ไปใหม่ๆเคยเป็นรู้สึกแบบเพราะว่าจิตใจเราอ่อนแอค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วเป็นไงผ่านมาได้ค่ะก็ผ่านมาได้ใช่เลยใช้พุโทโธแล้วใช้ปัญญาคือถ้าตอนนี้มองย้อนไปตอนวันแรกที่ได้ลองไปบนเขาอะคะ่ะมันจะรู้สึกต่างกัน ตอนตอนครั้งแรกมันจะแบบได้ยินเสียงอะไรมันก็กลัวไปหมดอะค่ะพระอาจารย์มันทําให้เราจินตนาการได้ออค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือก็ก็มาเลยก็สู้สู้กับมันไปคือมันพอพอมันมองเห็นเหมือนที่พระอาจารย์ให้ปัญญามามันก็มันก็เฉยเฉยมันไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษขึ้นมาค่ะก็ไม่เคยเจอค่ะพระอาจารย์โอเคถ้าเจอก็พร้อมที่จะสู้กับมัน เจอก็พอก็มองเป็นธรรมชาติไปเออป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปค่ะอก็ทําตัวให้กลมเกลินไปกับเขาอก็ทักทายเข้ายังไงสบานดีเลยี่ยมเยียนอยูงที่ไหนเราคุยดูชื่ออะไรเออชื่อใครคแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนแบบความมืดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกกว่า รู้สึกกลัวค่ะพระอาจารย์แต่ทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นชอบเลยยิ่งเมืดอย่างเงี้ยเอ้ยมันชอบมันเพราะก็ได้ความรู้จากพระอาจารย์แล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันจากสิ่งที่ที่เราไม่ชอบให้มันเป็นชอบาาอ่ะอาอ๋ชอบจะ ไ, ได้ไม่จะได้ไม่ทุกข์นะค่ะใช่ค่ะนี่อ่าก็ปรับตัวเข้ากับมันนะคะได้ดีโอเคมีอะไรไหม ไม่มีคำถามค่ะเข้ามาฟังธรรมค่ะ้นปีใหม่นี้มีโปรแกรมอยากขึ้นเขาอ่ะมีค่ะมีมแพนจะจองค่ะพระอาจารย์แต่แต่ต้องไปหาเวลาก่อนไปไปเติมพลังนะเงะเติมพลังสติปัญญาให้เข้มคนค่ะโอเคทัทุกค่ะขอบคุณค่ะคุณตายคุณตายว่ายังไง ปีใหม่ตั้งสัจจาที่ทานไว้อะไรบ้างรึเปล่าน้องกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ก็ปีใหม่นี้ก็จะว่าตั้งก็ตั้งนะคะพระอาจารย์เพราะว่าก็เริ่มทําตั้งแต่กลับจากเชียงใหม่ก็กินมื้อเดียวค่ะพระอาจารย์ทุกวันหร<ม>ือเฉพาะวันพระก็เริ่มทําเริ่มทําตั้งแต่สามวันแล้วค่ะพระอาจารย์กลับมามพุกก็ทําเลยแต่ไม่มีกําหนดเวลาจะกี่วันใช่ไ ใช่คะ่ะพระอาจารย์ทําอยากจะทําให้ไปตลอด ใ, ใจอยาก<ใ> จ, จะทําให้ไปตลอดอค่ะก็ดูว่ามันมันเป็นมาติณต้นหรือมาติณปลายเนี่ยใช่คะ่ะแต่ปีนี้แต่ปีนี้บอกกับตัวเองว่าจะรักตัวเองในทางที่ถูกคะ่ะพระอาจารย์คืออะไรที่ปล่อยวางได้ยมก็จะปล่อยเรื่องลูกหรือว่าเรื่องอะไรยมก็คิดว่ายมทํามาเต็มที่แล้วก็ ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องจะต้องไปต่อกันเองน<อ>ะคะพระอาจารย์โยมก็จะมีเวลายมก็จะพยายามศึกษาพระทำคำสอนให้ให้มากขึ้นแล้วก็เอาใจไปแบบเข้าเข้าทางเข้าทางทำให้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาที่ที่ยมผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกวุ่นวายวุ่นวายนิดๆเกี่ยวกับ งานหรือว่าวางงานบางแต่ตอนนี้ก็เริ่มปรงแล้วคะพะอาจาันเริ่มเริ่มเริ่มบอกตัวเองแล้วว่ารักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รักในทางที่ถูกก็คือถ้าหันหน้าเข้าทางทำได้ก็ก็จะดีกับตัวเองนะคะพ่อาจาย์ไปที่กลับไปบ้านที่เชียงใหมก่ก็อยู่กับที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนคะ่ะพ่อาจาย์ถ้าไปก็ไปทานข้าวแล้วก็ แวะเดินตลาดนิดๆหน่อยๆตามตามนั้นแต่ใจจริงก็ไม่ได้ออกไปไหนสองคนกับยมโยก็สาํานักก็จะอยู่ในบ้านกันก็ไปหาเพื่อนแค่ไปประมาณเกือบอาทิตย์ก็ไปแค่เจอเพื่อนแค่วันเดียวอย่างเงี้ยครัอาจารย์ซึ่งซึ่งมองตัวเองมองตัวเองแล้วว่า อ, อ๋อเราก็อยู่อยู่ด้วยตัวของเราเองได้ไม่ได้หอยหากับ เพื่อนๆ อ, อะไรมากมายเราอยู่ได้ก็แสดงว่าเราจะต้องเดินทางนี้ได้ตอนนี้ก็เลยเริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่กับตัวเองอะค่ะพรอาจารย์ถึงแม้ว่ามันจะนับหนึ่งใหม่แต่โยมก็คิดว่าการนับหนึ่งใหม่ครั้งนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นับหนึ่ง <laughs> คิดว่าจะต้องจะต้องทาให้มันดีกว่าเดิมแล้วค่ะพรอาจารย์เพราะว่าไม่ไหวแล้วแบบ คือเราก็อายุมากขึ้นนั่งก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะค่กะก็พยายามก็ดูไปดูไปใช่ค่ะหนกโยมก็กลัวเป็นมา์ตินตอนเหมือนกันก็เลยไม่อยากจะไปบอกกับตัวเองอะไรมากๆแต่ก็บอกบอกได้ว่าแบบจะพยายามอะคะ่ะผู้อาย์ดีความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจากเมื่อก่อนนี้นั่งได้เป็นชั่วโมงตอนนี้เริ่มนั่งกันได้แค่สิบห้านาทีแต่ก็บอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเองเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ต้องถ้าเราทําทุกวันมันก็คงจะดีขึ้นพระอาจาแล้วถ้าเราเคยทาได้แล้วมันก็เดี๋ยวก็กลับไปที่จุดนั้นได้ค่ะก็วันนี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะบอกอยังไงดีถ้าจะพูดกับหน้าพะอาจายก็กลัวจะเป็นสดจาะไม่ต้องตาวแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากจะบ <c oughs> ังคับไม่ถามเน่นๆนะถามว่า ทำอะไรไว้มั่งรึเปล่าตั้งใจค่ะ เ, นะเริ่มเริ่มเริ่มทําให้ตัวเองแล้วค่ะพระอาจารย์ก่องเยอะที่เราจะตั้งสัจจะเราต้องมีความมั่นใจไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโกหกตัวลอยไปนะจะไม่สามารถตั้งสัจจะได้ใช่ค่ะโยมก็ล้มล้มลุกๆกนี่แหละแบบแต่ปีนี้กลับบอกตัวเองว่าเออ ม, มันก็จะหกสิบห้าสิบปายแล้วเดี๋ยวจะหกสิบเดี๋ยวไม่มีแรงคาาา่ะพระอาจารย์เดคิดอย่างนี้ได้ก็ดี พยายามไปกันแล้วกันนะพยายามไปแล้วค่ะว่าจะกลับขึ้นเครื่อางแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะว่าจะเสด็จแทนค่ะคุณบัวตาคุณบัวยังไม่ได้เดินทางเลยตามพิธีการเจ้าค่ะรอเดินทางวันอังคารค่ะพอดีถึงนี่เลยค่ะพอดีก็ยุ่งเตรียมของเจ้าค่ะอันคารโอเค ก็ถือว่าไปธรรมดาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเจ้าค่ะก็คงต้องฝึกสติเยอะๆส่วนมากตอนนี้หนูพยายามเข้าสมาธิเยอะขึ้นเจ้าค่ะ <ừ> รู้สึกสบายกับสมาธิเจ้าค่ะดีแต่ว่าไม่ได้เลือกเวลาได้ไหมเจ้าค่ะแบบว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นได้ได้เจ้าค่ะทำได้มากเท่าไหร่ยังดีทำที่ไหนได้ นั่งนั่งรอเครื่องบินที่สามบินก็นั่งหลับตาของเราไปก็ได้เจ้าค่ะออยู่ที่ไหนไม่ต้องทําอะไรแล้วก็นั่งหลับตาของเราไปเจ้าค่ะก็พยายามชวนแฟนเข้าฟังเขาก็ฟังพระอาจารย์นอกระบบอยู่พอยุ่ง<อ>แต่ว่าก็ได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเขาอย่างพระอาจารย์สอนว่าเขาเป็นส้มเป็นกล้วยก็แล้วแต่เขานะคะใช่เราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนตัว เ, เองเจ้าค่ะ แต่ก็อยากให้เขาฟังทำผ้าจาันมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขานะคะใช่แต่บางทีมันใจของเขาก็มีกิเลสอยู่เจ้าค่ะม้างอย่าไปขัดกิเลสเ็าเลยไหวไห ไ, ไ, ไปตามทำให้ของเขาดีกว่าเจ้าค่ะจะได้ไม่มีปัญหากันจะอยากอยากมากๆแล้วอาจจะทำให้เขาํำคาญองเราได้เจ้าค่ะเจ้าพยายาม ตั้งสติก็ระลึกคําสอนพระอาจารย์บอกว่าปล่อยเขาเป็นไปรูปแบบส้มแบบกล้วยก็แล้วแต่เขาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีเข้ามาฟังธรรมขอบพระคุณเจ้าค่ะอพยายามสวดมนต์พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆก็แล้วกันนะที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุคุณสาธกาเจิณ ดีปีใหม่ค <c oughs> ่ะ่าฟังทำกัอว่าจา์ปฏิบัติค่ะโอเคไม่มีปัญหาเลยไม่มีแต่แฟนเขาปีใหม่นี้แฟนเขาตั้งปฏิทางไว้ค่ะ <c oughs> ว่าว่าจะเป็นคนที่น่ารักสำหรับตัวเองแล้วก็กับทุกคนโอเคเออค่ะด้วยการกระทำอะไรบ้างเออณณณตอนนี้ค่ะ ที่ลูกทําก่อนหน้าที่เจอพระอาจารย์มาเรื่อยๆก็พิจารณาความตายเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็ซื้อรถให้น้องสาวค่ะเขาก็ตกใจเหมือนกันอืเพราะว่าเขาเงินเดือนน้อยมากอืในบรรดาสีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็พวกหลานๆก็คือเ อ, อ่อถ้าเขาเรียนอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ให<ช>้ส<ช>่งค่าเทอมใช่ค่ะอืม คือตามแบบค่ะค่ะก็เพราะว่าลูกก็บอกว่าอย่างที่แม่ลูกอะค่ะแม่ลูกเขาก็ปฏิบัติมาตลอดแล้วเขาก็สอนมาว่าเออให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็เออถ้าเราทำดีอะค่ะอาจารย์มันก็ไม่มีวันอับจนนะคะอาจารย์แน่นอน ทำย่อมคุ้มความผู้รักษาผู้ปฏิบัติธรรมอืมแล้วลูกก็เอ่อพี่ว่าน้องน้องคนแรกอะค่ะที่ก็บอกอะค่ะเออลูกลูกเจออันนี้ลูกลูกเจอเองตอนลูกแบบไปเฝ้าแน่ลูกอะค่ะอืมอันอันนี้คือเตียงลอยเตียงลอยค่ะแต่ลูกอะเป็นพยาบาลลูกก็เลยแบบตอนแรกลูกไม่ลูกก็ไม่เชื่อกลัวว่าเราอ่ะ เฝ้ามากแล้วเราจะหลับลูกก็เลี้ยงตัวเองแล้วลูกก็เดินไปรอบเตียงค่ะอาจารย์แล้วลูกก็บอกว่าลูกกัะบุญไม่เยอะแต่คนบุญเยอะคือคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วถ้าเขาอันนั้นมันก็ลอยลมมาเนี่ยอาจารย์แต่ลูกอ่ะก็กลัวเพราะลูกก่บเฝ้าคนเดียวลูกก็เลยเปิดอิติปิโสถึงตีห้าเยรยอาจารย์เพราะพรลูกลูกอ่ะ ก็แต่มันมันก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่ก็ยังไม่คือตอนนั้นมันยังไม่ได้อะไรเลยอาจารย์แต่ถ้าอย่างนั้นลูกก็เลยมั่นใจตัวเองอพ่อลูกก็เดี๋ยวนี้ก็ก็ที่จับต่างกับแม่สุดขั้วอย่างเดี๋ยวนี้ยค่ะพอเขาถามว่าเออลูกส่วนมากลูกจะเปิดธรรมะค่ะฟังในรถแต่ก่อนอะ่ะ ถ้าพ่อลูกอะ น, นะเอียงเดี๋ยวนี้ยพ่อลูกฟังแล้วก็ทีเนี้ยมันมีบทที่พระจางอะเทเรื่องเกี่ยวกับกับตันยูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็เลยบอกอันเนี้ยคือที่ลูกไปเล้วรู้กบกใช่ใช่ท่านสอนอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวเนี้ยค่ะเขาก็สูตรหมนุน mm hmm. แล้วเขาก็ลูกก็เลยให้พูดเหมือนที่พระจางบอกอะ่ะเขาจะกลัวตายมากลูกก็บอกว่าเออมันก็เหมือนไปเปลี่ยนเหมือนลดอะคะ่ะ ที่มันไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็เลยแบบสบายใจอะค่ะค่ะค่ ะ, คะลูกกับั<า>ิคนเราไม่รู้ที่ว่าเวลาตายเราจะตายลยด้วยเราไม่ได้ตายแต่แต่ลูกแบบแฟนลูกอะค่ะคืออันนี้ลูกไม่ได้เจอคนเดียวแฟนลูกก็เจอคือลูกเขายังบอกเลยว่าแม่ลูกกับแม่เขาว่างกันให้สังเกต ลูกก็ไม่ต้องบอกอะไรมากค่ะเวลาเนียว่าปฏิบัติไมตตวัติวัติลูกก็บอกว่าเออเราให้พิจารณาความตายไว้เธอดูอย่างแม่ชั้นดิเขาก็จะเงียบเลยเพราะเขาเขาก็สัมผัสมาค่ะพอาจารย์ลูกก็เลยไปประมาณนี้ค่ะอาจารย์เพราะเราก็ไม่มีลูกค่ะอาจารย์ไปเรื่อยๆนะเต่าทำทานไปเป็นเต่าไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ ใช่ดีค่ะ <Okay. S 2> แต่ก็อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ลูกลูกจะมีความที่ว่าตอนแรกเลยอ่ะลูกกับอีกพี่คนเนืงอาจะต่างกันสุด ข, ขั้วเลยอย่างเงี้ยเจอก็จะว่าแต่เดี๋ยวนี้ยลูกบอกพ่อเลยลูกอยู่ได้ทุกสภาวะอืมค่ะ<ร>ก็ดีขึ้ยินดีตามตามีตามเกิดใช่ใช่ลูกคิดว่าไม่รู้ลูกบอกว่า คนเรามันต้องแบบเหมือนแบ่งปันกันนะคะไม่ใช่ว่าคนนึงมันจะแย่ที่สุดแล้วมันมันเฉลี่ยกันได้ครับอาจารย์ใช่เหลือกันได้แบ่งปันกันได้ค่ะแค่นี้แหละเราก็<ส>าฟังอยู่นะก็ปฏิบัติอยู่ค่ะค่ะไปที่คุณแนนต่อแ น, นอโดน เป็นยังไงสน้องกาวเดิใกล้สึหอาจารย์สบายดีเจ้าค่ ะ, ะ <c oughs> เป็นปีที่หล่เปินปีที่เท่ทาไหร่นะที่ไม่มีคำถามนี่เ <c oughs> ข้าปีที่หกแล้วสักค่ะนะโอ้คหปฏิบ <c oughs> ัติปฏ <c oughs> ิบัติต่อไปทําใจใสงบจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ผมพิไลกอทมอเป็นยังไง คนใก้ชิด น, นอนแล้วเหรอแมจะหลับแล้วะฮัลโหลไปเธออย่าไปทอย่าไปปลูกเลยพอดีพรุ่งนี้จะไปไปเขาใหญ่คะ่ะกับกับเพื่อนที่เป็นหมอค่ะนี่ก็เลยรีบนอ น, นะคะ่ะเอาไปเปลี่ยนบรรยากาศบนะ้าอยู่ในบ้านในเมืองจะไปแก๊งเล่นกอล์ฟนะคะมีทั้งสัตวแพทย์มีทั้งแพทย์ มีอายุ83เป็นหัวหน้าทีมอะโอเคเป็นต้องไปค้างเลยไปเชาายังงครับไปไปค้างค่ะค้างค่ะก็เลยปล่อยไปค่ะบไปดินไม่งั้นต้องไปด้วยค่ะออฉันไม่ต้องไปจะได่ไปค่ะไปประชุมของมูลนิธิประจำปีพอดีก็เลยไปทำงานให้ชุมชนก่อนค่ะ จิตราสาจิตด า, า่าก็ยังสนุกสนานอยู่ค่ะสนุกกับการได้ได้ทำดีด้วยเขาค่ะทำบุญแล้วมีความสุขใจใช่ค่ ะ, ะ, ะ ก, ก็ทำมาแบบช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ก็แบบมันหลายเรื่องมากค่ะทั้งเพื่อนรักเสียทั้งน้องชาย emergency เ, เ, เข้าโรงพยาบาลก็ไปเป็นเจ้าของไข้ อ่ะเพเขามีไม่มีไม่มีครอบครัวค่ะดันช่วดูแลกันไปค่ะอก็ก็ดูก็ดูยังมีสุขค่ะเป็นสิทธิ์พระอาจารย์อยู่ไหนก็มีสุขค่ะฟังน้องๆค่ะฟังน้องๆคุยเรื่องไปปฏิบัติธรรมแล้วแบบอืมเราก็ไปมาที่บนเขาชิโอนี่สปาย่านค่ะจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกไอเสียงก็ต้องมีเป็นธรรมดาสิ่งสารสศาสตร์ก็มีเป็นธรรมดาอืม แตไม่มีบนไม่มีอะไรค่ะไปแล้วทุกคนจะได้ความสงบกับกับคืนกลับบ้านมามันอยู่ที่ใจเรามากกว่าไม่ได้ที่ไหนแล้วรถไปแต่รุ่นบุกค่ะอืไปรุ่นบุกเบิร์แล้วค่ะตั้งนานนานแล้วนะคะแื่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้โอเคสาธุจ้าค่ะสวัสดีพี่หม่พระจันทร์ค่ะสาธุเดือนนี้คงจะได้มีโอกาสไปกาบค่ะได้สาธุ อ่าไปที่คุณนิสาต่อนิสาน้องกล่าวนมัสการค่ะอ า, าจารย์สวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่กับปีเก่าก็ไม่ต่างกันนะใช่ค่ะอ า, าจารย์เพือนมีแจ้งเหมือนกันจริงๆเลยก็มันก็เป็นเหมือนแต่ละวันทุกวันก็เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เมืม่อนๆก็แจ้งฮนะ่ะค่ะพระอาจารย์ลูกก็ไม่มีอะไรไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มนาะร่วมเรา ถ้าอยากจะให้ปีใหม่ดีก็ต้องทําดีให้มากขึ้นนะเค่ะอาจารย์ก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อาจจะถดถอยลงไปบ้างค่ะพระอาจารย์ก็พยายามค่ะพยายามก็ไม่เป็นทุกข์ค่ะพระอาจารย์ทํำได้ทำทำแล้วที่ทําได้ก็แล้วกันนะค่ะอาจารย์โอเคก่ะพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตุขแข็งแรงค่ะที่ไ้ที่คุณยุบต่อ จุ๊บกัเบยนวัสการะที่ญี่ปุ่นก็ฉลองปีใหม่กันยังไงบ้างคะที่ญี่ปุ่นเหรอเจ้าคะที่ญี่ปุ่นก็คือถ้าเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนี่ก็คือทุกคนก็จะกินโมกินเส้นกินโซเมงนะคะเส้นโซโซซบะค่ะอาจารย์เป็นแบบม้นเส้นนี่ไหมเป็นทามาจากบักวีดนะคะทำทา เป็นเส้นสีเทาๆอะค่ะพรอาจารย์เป็นเนกวเตี๋ยวอะไรใช่ว่าเป็นมันบะหมีแล้วก็ใส่โปะหน้าด้วยอ่าอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของท่อนะคะพวกกุ้งทออะไรอย่างนี้ชอปกงหน้าไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำแล้วเป็นแห้งเป็นน้าค่ะเป็นน้ำนะแล้วเวลาสูตรก็ต้องสูตรแบบอย่าไปกัดอย่าไปกัดเส้นมันอ่าจะได้มีชีวิตยืนยาวอะไรประมาณนั้นนะคะอาจารย์ แล้วกินเวลาไหนหรือเปล่าหรือว่ากินได้ทุกเวลากินส่วนใหญ่เขาจะกินตอนแบบดึกๆแบบก่อนเที่ยงคืนนะคะบ้านบ้านหนู ก, กินได้ทุกเวลาค่ะกินเป็นแทนอาหารเย็นไปเลยค่ะวันปีนมวันสิ้นปีเขาก็จะทำอย่างนี้กันแล้วก็พอกินเสร็จแล้วก็จะมีจะดูจะดูทีวีอะค่ะมันจะมีช่องที่ว่าให้นักลงมาร้องเพลงแข่งกันเป็นทีมขาวแดงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เขาก็จะนั่งนั่งดูไปแกะส้มกินไปจนถึงเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยเขาก็จ ะ, ะเขาก็จะแบบสวัสดีปีใหม่กันตอนนั้นแหละค่ะมีนับเข้าดาวหรอือเปล่าคะมีนับเค้าดาวคะ่ะมีเหมือนกันนะแต่อ ย, อยู่แต่อยู่ในบ้านนะคะพระอาจารย์ถ้านอกบ้านนี่ก็คือเงยียบไม่มี ใ, ใครคส่วออนใหญ่คนก็ไม่ออกนอกบ้านก็นนจะร้องในบ้านค่ะ ครับไม่มีที่ไปตามสวนสาธารณะอยังไม่มีใครไปทํำไม่มีการจัดงานเลยนะอืมไม่หนูไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่บ้านกันค่ะแล้วพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บนะคะขึ้นต้นปีใหม่ปุ๊บถ้าเป็นบ้านอื่นที่เขาเค่งเค่งกันอ่ะเขาก็จะเดินพากันไปศาลเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมก็คือไปไหว้เจ้าไปไหว้เจ้าค่ะไปไหว้ที่ศาลเจ้ากันอืมตอนรับปีใหม่ด้วยกันไปไหว้ แล้วก็ตอนเช้าของวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายๆบ้านเลยจะไปแบบไปเดินที่ตรงไหนก็ตามที่มันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกอะค่ะอก็จะมีความเชื่อในตอนทำตรงประเ่ศค่ะเขาจะมีความเชื่อว่าแสงแรกของของปีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยกันค่ะอ่าหนูได้ทำหรือเปล่าได้ทำขังเขานหรือเปล่าหนูหนูไม่ทําค่ะพะอาจารย์หนูนั่งก็ เข้าซูมกับพระอาจารย์แล้วก็นั่งสวดมนต์ต่อสวดมนต์แล้วก็ น, นอนนะคะพระอาจารย์ไม่ได้สวดไม่ได้กินในเส้นนั้นเลยเส้นนั้นนั้นหนูหนูเขาของบ้านหนูเก็กินกันตอนตอนเย็นไปแล้วไงคะพระอาจารย์ไปแล้วค่ะตอนเย็นไปแล้วพอกินเสร็จหนูก็ขึ้นมาซูมกับพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเวลากินนี่คะเราไม่มีพิธีกรอะไรหรือเปล่าเไม่มีค่ะไม่มีนะเจ้าค่ะ<ม>เพียงแค่ไม่กัดเส้น สูตรเ <ừ m. S 2> ข้าไฟให้หมดเส้นเลยเนี่ยค่ะอืมค่ะกินอย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่อย่างอื่นให้กินด้วยพอวันที่หนึ่งก็จะเป็นอาหารปีใหม่ของญี่ปุ่นไ ม, ไม่ตอนที่กินให้เส้นกินให้เส้นอย่างเดียวนี่แล้วไม่มีอาหารอย่างอื่นรวมด้วยค่ะค่ะเป็นเป็นเส้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเส้นแล้วก็มีของท็อปปิ้งโปะโป ổ น่าแล้วก็ <ừ m. S 1> น้าซุปราดใส่แค่นั้นเองนะคะอาจารย์เป็นอาหารเย็นไปนี่ไหอ อ่าขอขอบ้านหนูเป็นอาหารเย็นนะคะแต่ถ้าบ้านอื่นเขาก็กินอาหารเย็นปกติแล้วก็มากินเส้นอย่างนี้อีกครั้งเย็นเส้ น, น, นทีตอนเที่ยงคื น, นี้นะอ่าประมาณนี้คะ่ะอาจารย์แล้วตามในเมืองนี้เขาจะไม่มีจัดงานข้างนอกนอกกันตามสถานที่ต่างๆมีไหมหนูไม่เคยได้ออกไปเลยคะ่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสิ้นปีหนูก็จะอยู่แต่ในบ้านแต่เท่าที่ได้ฟังมาหรือว่าเห็นเพื่อนที่เขามาเที่ยวปีใหม่กะว่าจะมาเขาดาวที่ญี่ปุนนะ่นอ่ะ เขาบอกว่าเงียบร้างค่ะเป็นหมดเพราที่อื่นเขาจะจัดงานกันตามสูนการค้าบ้างตามสวนสาธารณะบ้างอะไรค่ะนี่ไม่มีเลยปิดกันหมดสงท้ายปีเก่าที่บ้านนั้นตอนรับปใหม่ทิ่ตอนเช้าก็มาดูดวงอาทิตขึ้นค่ะซูเปอร์แถวบ้านหนูอะค่ะพระอาจารย์วันที่หนึ่งนี่ก็คือก็ยังปิดหมดปิดกันหมดเลยนะคะพระอาจารย์ไม่มีทํะล้างก็ปิดหมดค่ะปิดหมดเลยค่ะ อแล้ว ม, มีกทีก็วันที่สองนู่นนะคะอาจารย์อืมตอนที่ออกมาไหว้ น, น, น, นั้นหมายถึงตอนเที่ยงคืนน่ะพอพอหลังหลังเที่ยงคืนไปก็ออกมาไหว้ที่ศ<ช>าลเจ้ า, าอะไ่เงี้ยใช่ค่ะบางบ้านนะคะหนูเห็นเพื่อนหนูใน f เฟซบุ๊กอะค่ะบางบ้านเขาก็พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บเขาเอาเอะอกมาชิตะอะไรอย่างเงี้ยก็คือปแบบสวัสดีปีใหม่ปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาก็แบบพากันเดินไปศาลเจ้าไปไหว้กันก่อนเลยทีนี้ยที่อยู่ใกล้บ้านนี้แหละใช่ค่ะพากันไปไหว้ เพราะว่าคนจะไปไหว้กันเขาเขาเหมือนกับเป็นเป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลของของ<ม>ของชาติเขาบางครั้งต้องไปก<ม>ันอะไรป่ะาระจังอปสาลเจ้าไปแบบรับแสงตอน น, นี้ก็ไปส่วดมนต์ข้ามปีกันไงคนไทยเ้าก็ไปไหว้ไปส่วนดมนต์ข้ามปีกันประมั้นใชโอเคมีอะไรไหมคําถามวันนี้วันนี้หนูไม่มีคําถามคะ่ะได้เข้ามาฟังเกี่ยวกับการปฏิบัติ เกี่ยวกับเขาชีโอนนี่ก็คือดีจังเลยค่ะอาจารย์อืมก็อยากฟังเยอะๆค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆจะได้เป็นประสบการณ์เตรียมการ้อยเพื่ออยากจะไปทําข้อสอบจะได้ไปลองทำเดี๋ยวค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคคุณมาริกาเชิญคุณมาริการดาราที่ว่าจากนมาสการเ์ก็ค่ะอาจารย์ก็ ก็การปฏิบัตินะครับอาจารย์ก็เจอบททดสอบก็คิดว่าเออนะพอเจอเหตุการณ์นั้นเราคงจะกลับมาบ้านเราคงจะทุกข์แต่แล้วมันก็ไม่ได้ทุกข์เดี๋ยวอาจารย์เพราะว่าบอกแล้วว่าพว่าอาจารย์เคยสอนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มันก็ดับไปแล้วทำไมเราต้องเอกมาคิดเล่าก็อนั้นก็ไม่ได้มาคิด แล้วพอเราไม่ได้คิดมีความสุขเจ้ากับพระอาจารย์น่เกิดความสุขขึ้นมาในจุดนี้แล้วก็ในแต่และ ว, วันก็ทําให้ดีที่สุดก็ดูแลพอ่อรู้สึกว่ามีความสุขมากอืมจะไม่ทุกถึงเม้นจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเจ้ากับพระอาจารย์ก็เป็นแบบทดสอบที่มันกะว่าท้าทายไหมมันก็ท้าทายดีนะครับพระอาจารย์พ่อตอนนี้ก็เคยถาม คนที่อายุ80จะถามว่า <c oughs> เป็นเกศนี้นะก็ฉี่นะก็ไม่รู้สึกตัวหรอหรือว่าเขารู้สึกตัวแล้วก็อั้งไม่อยู่ถ่ายก็เหมือนกันก็เขาอันไม่รู้จริงหรือว่าอะไนก็เขาเ ข, า, ข, า, ข, า, ขาหลายๆคนก็ก็บอกว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละบาง การที่ว่าเชื่องช้าหรือระบบการทํางานการช่วยหาหรือว่าการระบบการขับถ่ายนั้นมันจะไม่ใช่มันไม่มันไม่กระชับเหป็นตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะบ่อยมากวันนี้หนูเจอเออลูกเจอไอ้ตัวนี้มาเมกเจอเจอเกือบทุกวันดังนั้นการที่จะนัดใครว่าเออนะช่วงนี้ต้องไปโน้นตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่นั้นจะ ต้องเลดไปต้องว่ามาดูแลพ่อตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าถือว่าเราต้องปกตดูแลพ่อทามันกว่านะก็มีความสุขดีค่ะพระอาจารย์ก็มีความสุขอนุโมทนานาธุสาธุท่านสาธพระอาจารย์ก็เรื่องอื่นก็พยายามที่จะน้องนาคาสอนของพระอาจารย์นั้นมาปฏิบัติอยู่แต่ถามว่า จะตัง้งจิตอธิษฐานว่าต้องสวดมนต์เท่านั้นต้องถือตรงน น, นี่นั่นนั้นจะไม่ามําเพราะว่ามันสถานการณ์ในแต่และ ว, วันนั้นต่างกันไปค่ะอ า, าจารย์ <c oughs> มันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่คนเดียวนั้นเราสามารถวางหมากไว้เลยว่าเราต้องแผนว่าทายังไงทำยังไงทำอะไรบ้างในช่วงไห น, ไหนแต่พอตอนนี้นั้นทำไม่ได้เลยครับอาจารย์ก็ขอให้เรา ไม่กล้ตัง้งใจว่าเวลาว่างมาตอนไหนทำได้ก็ทําไปใช่เจ้าค่ะก็พยายามทําก็บางทีนั้นก็ต้องมันไงบางทีก็มันก็รู้สึกมันอึดอัดใจเคยบอกคุ ย, ย, ยกับคุณอาอกษาว่าก็าอึดอัดใจที่เราอยากปฏิบัติอยากจะขึ้นเขาทีโอนแต่ว่าในเมื่อมันเป็นไม่ได้ยอมรับเสียเถอะอืมอย่าไม่อยามันไม่ทาให้เราทุกข์ไปเปล่าๆใชเจ้าค่ะอาจารย์ แต่ว่าถามว่ายังมีหวังความหวังไหมยังมีความหวังความหวังที่จะไปจุดเจกับกันรู้ไม่มีคาถามเจ้าคโอเคดีสาธุคุณมาลีต่อมาลีต่อหง่อค่ะเป็นย่งงไปใหมไปส่งท้ายไปเก่าที่ไหนบ้า ส่งที่กุฏิที่ม่านนครนายกค่ะหลวงพ่อก็ต้องนีพยายามเร่งเร่งเยอะๆค่ะหลวงพ่ออืมดีเรีให้สนนเลยอยาให้สนนเลยเป็นสปินเลยเป็นะปินเลยค่ะวันพุธที่แล้วหนูเลยไม่ได้เข้าหนูอยู่ที่กุฏิค่ะหลองพ่อโอเค พยายามพยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อก็อุสติในชีวิตประจําวันด้วยค่ะหลวงพ่อภาวนาตามวิธีหลวงพ่อก็คือสติสมาธิปัญญาแล้วพอเสริมเข้ามาในชีวิตประจําวันนะคะหลวงพ่อทำงานก็เอาสิติปรอยู่กับงานแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากอย่างนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับกายมาอยู่กับจิตอยกับใจเราเนี้ยค่ะหลวงพ่อพอทําได้ แล้ ว, ลวเรียกอะไรระดับหนึ่งมันทำให้เรากำลังสติของเราค่ะหลวงพ่อมันทำให้เราเห็นเห็นว่ากายใจแล้วก็มันแยกกันอย่างชัดเจนแล้วมันก็ทำแล้วก็เห็นความคิดตัวเนี้ย้่ะหลวงพ่อพอมันเห็นความคิดตรงเนี้ยเราจะตามหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสดหรือเป็นทุกอว่าค่ะหลวงพ่อ ใจเราอ่ะจะไม่กระโดดเข้าไปเล่นพอไม่กระโดดเข้าไปเล่นใจอ่ะมันเหมือนมีกําแพงมาป้องมากันไว้ก็คือสติอะค่ะหลวงพ่อมันจะไม่สุขมันก็ไม่สุขทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันก็จะอยู่อยู่เฉยเหมือนเหมือนหนูแค่รับรู้<ๆ>เห็นแล้วก็ปล่อยเหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าแค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยแบบ น, นี้นค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วก็หนูเห็นว่า ทุกในใจหนูมันปลดลงไปมันโล่งมันสว่างมันเบาแล้วมันหนูมาฟังคิดหลวงพ่อที่หลวงพ่อมีคนทำหลวงพ่อว่าจะเอาอะไรเป็นตัววัดเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อเล่าว่าก็ดูความดูกิเลสความโลภปลดหลงในใจอ่ะมันน้อยมันลดมันเบาลงไปไหมและที่สําคัญคือทุกในใจเราอ่ะมันลดลงไหมที่หลวงพ่อกลนนะคะมันก็เลยตรงกับสิ่งที่หนูได้เจอคือว่า ทุกในใจหมอมันเหลือน้อยมันโล่งมันเบาแล้วก็มันเหมือนมีอะไรมากั้นอยู่ในจิตใจไม่ให้แบบไปรับทั้งสุขทั้งทุกข์คือเราไม่เข้าไปเล่นอะไรกับมันเลยสมมติพ่อมันก็เลยรู้สึกว่ามันเบาขึ้นเบาขึ้นมันมีเบเเบเกอรใช่ค่ะหลงพ่อทั้งสุขทั้งทุกข์ว่ะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนหนูไม่ได้กระโดดเข้าไปเล่นเหมือนแต่ก่อนเลยสมมติพ่อติดไอทุกข์กันนะคะแล้วก็ ส่วนสุขเนี่ยบางทีช่วงปีใหม่อ่ะเขามีแบบจับรางวัลได้ของฝันกันแบบทั้งบริษัทอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. หลวงพ่อเราก็ได้มาแต่หนูไม่ได้มันไม่ได้ออกอาการดีใจลิงโลกคือมันเฉยมากเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันเฉยเฉยเหมือนปกติจะชอบรับรู้เฉยเฉยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. หลวงพ่อหนูก็เลยเห็นว่าปิดในใจหนูว่ามันปุ๊บมันน้อยแล้วเห็นสุขอกมันโผล่เข้ามาแต่ก็ไม่หลงไม่หลงสุกนะคะหลวงพ่อมันอยู่แบบ ต่างๆแต่ที่สําคัญคือเหมือนทุกอ่ะก้อนใหญ่มันหลุดออกจากในใจหนูะค่ะหลวงพ่อมันเห็นข่าวเห็นสว่างแล้วมันก็มีสติสมาธิปัญญามาในคราวเดียวกันค่ะหลวงพ่อคือพยายามฝึกไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันเผลอค่ะหลวงพ่อหรือเลยเห็นความสุขในใจแล้วก็ไม่รับทั้งสุขทั้งทุกข์ค่ะหลวงพ่อมันทํามันทันกับเหตุการณ์ที่จะเข้ามาบอกเนี้ยค่ะแต่ว่า มันยังไม่ไม่ใช่ลอยนะคะหลวงพ่อแต่ว่ามันเห็นเห็นจากการทันเนี audible audible> ้ยแล้วค่ะหลวงพ่อหลวงก็เลยพยายามพยายามเร่งพยายามเร่งแล้วแล้วพอพอมาเปิดสภาวะตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมีความรู้สึกว่ามันเงียบในใจมันมันไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากสงถึงแต่ว่ามันจะมันจะรู้อยู่ในใจนะคะหลวงพ่อเนี่ยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวจะพยายามที่จะเร่งเร่งหน่อยค่ะหลวงพ่อ ใช่นี yeah, ่ให้ปล่อยวางทุกอย่างให้สักตะวันรู้นะเห็นก็สักตะวั <Okay. S 1> เห็นได้ยินก็สักตะวันได้ยินไม่มีการตอบโต้ <Okay. S 1> เฉยๆใครจะชม่าเฉยใครจดาก็เฉยอ <Okay. S 1> ใครยาวอะไรไปก็เฉยมันก็เอาไปได้ก็มันก็เป็นของเขาไป <Okay. S 1> แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะอะค่ะหลวงพ่อดูใจหนูว่า มันให้อภัยคนที่เขาทำไม่ไ ม, ไม่โอเคกนูะค่ะที่หนูเคยเดีย น, นย mm hmm. ้องพ่พ่อแล้วมันก็มีความเมตตาเกิดเข้ามาในใจคือมันเป็นอะไรที่หนูปดความทุกข์ตรงนั้นออกแล้วมันโล่งมันเบาไปหมดเลยท่านพ่อไม่มีการปวดโกรธหรืออะไรเหมือนแต่ก่อนเลยท่านพ่อรู้สึกว่ามัน มันหลุดมันมีความสุขตรงที่ว่าเราไม่กโกรธเขาแล้วค่ะหลวงพ่อมันมันปล่อยมันให้อภัยแล้วมันก็มีแต่ความเมตตาสงสารเขาแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันวางมันวางคนที่ทําไม่โอเคแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันสุดในใจมากขึ้นค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็ไม่ได้หลงไม่เได้หลงสุดนะคะหลวงพ่อดูมันเห็นจากทุกมันปลดออกได้ค่ะหลวงพ่ออืมดี เป็นสุขโดยเป็นสุขโดยธรรมชาติไม่ได้สุขท uh. so ี่เ okay. กิดจากการปรุงแต่งหนูหนูเป็นสุขที่เกิดจากการปล่อยวางข้าหลวงพ่อก็เลยเห็นคุณของการปฏิบัติแล้วก็เห็นเห็นคุณที่หลวงพ่อเมตตาสั่งสอนมาก็หนูก็จะพยายามจะเพี้ยนไปให้มันเป็นที่คอ่าให้มันสดเลยนะให้มันหมดกิเลสภารกิเลสแห้นสิ้นสุดลงได้ การหล่อจะเรียนเขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะขุคคุณแนต่อคุณแอนอันนี้กลับถึงบ้านแล้วละกับนมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอ่อหยุดมาสามวันแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้บินละค่ะบินแลรงนี้ไปตอนนี้อยู่บ้านอยู่กรุงเทพไหมอยู่กรุงเทพค่ะทำ อึดสามวันแต่ยุงย่งยุ่งทั้งสามวันเลยค่ะแค่พาคุณพ่อไปหาหมอก็หมดไปแล้วสองวันเจ้าค่ะอแต่ <c oughs> ทุละให้ทํำหลายอย่างเลยอืจับแทนเปนคุณค่ะก็อยู่กับคุณพ่อสองคนแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อคุณแม่มหนูเสียไปสามปีกว่าอืมก็เป็นหน้า <c oughs> ที่ของเราต้องดูแลคุณพ่อแทนคุณแม่ค่ะก็อยู่อยู่กันอ่ดูแลคุณพ่อไปค่ะตอนนี้หนูก็ ตัวคนตัวคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้มีภาระอะไรก็อ่อแต่คุณพ่อเนี่ยหลังเจ้าค่ะแล้วมีพี่น้องคนอื่น ด, ด้วยหรือเปล่าไม่ไม่มีมีลูกคนเดีย ว, วจริ ง, รงๆก็มีพี่น้องห้าคนค่ะแต่ก็ก็เรียนตามตร ง, งกไ็ไม่ว่างกันไรไม่ว่างกันค่ะก็จะมีมีพี่สาวหนูอยู่ออสเตรเลียอีกอคนหนึ่งที่ที่ที่ดูแลคุณพ่อจริงๆจะมีจะมีลูกสาวอะค่ะก็คือหนูกับพี่สาวส่วนส่วนพี่ชายก็ก็จะ ก็อย่างว่าค่ะมีมีครอบครัวแล้วออกเขาก็ต้องดูในครอบครัวเขาอะไรองนี้ยค่ะถ้าไดพี่สาวก็ถือว่าก็เป็นกําไรของเราเป็นบุญของเราที่ได้มีโอกาสตอบแทนเพื่นคุณแน่นอย่างเต็มที่ะแต่บางทีก็แอบแอบแอบคิดนะคะหนูเคยฟังคําคําตอบเอ่อเคยมีคนถามหลวงพ่อค่ะว่าเอ่ออะไรนะเออหลวงพ่อเคยพูดว่าอะไรนะบอกว่าเอมีคนมีคนเคยถามพ่อแม่เลี้ลูกเสร็คนได้ ได้ค่ะแล้ว<ม>แล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเออ่ถ้าไม่ทําบาปแต่ก็ไม่ได้ทดําดีไม่ได้ทําบุญเนี<ม>้ยเขา ก, <ม>ก็ก็เสมอตัวใช่ไหมแล้วหลวงพบอกว่าก็ไม่ได้บุญก็ไม่ได้บาปแต่ก็ไม่ได้บุญแต่หนูว่าบางทีหนูก็มาแอบแอบคิดฐานด้วยความที่เราอยู่กับคุณพ่อสองคนนะคะแล้วเหมือนกับสนิทกัน<ม>บางทีหนูดูแลท่าน ทางกายเนี่ยหนูมั่นใจว่าน bon, หนูไม่ไม่ขาะตกบกพร่องแต่ว่าทางวาจาทางความคิดบางทีด้วยความที่เราเป็นห่วงเราก็จะมีกระทบกระทั่งอนนะคะ <S <S แต่คว<ๆ>ามที่ออกมามันก็ไม่ได้ออกมาจากความความคิดอกติหรือเราไม่ได้รักท่านนะแต่มันเป็นความคิดของความเป็นห่วงเนี้ยค่ะแต่มันก็คือม่ความอยากของเราใช่ค่ะก่อนที่หนูจะจะจะมาเข้ามาฟังธรรมะจากหลวงพ่อค่ะหนูแบบ ส่วนคุณพ่อทะเลาะบ่อยมากค่ะหลวงพ่อชวนทะเลาะแล้วก็จับผิดนู่นนี่นั่นตลอดเลยจนจนเหมือนกับหนูกลายเป็นคนลืมแบบมันเปลี่ยนตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเรากลายเป็นคนขี้โมโหขี้งหงุดหงิดใส่ท่านเงนี้ยค่ะแต่หนูโชคดีเป็นคนใจดีแล้วท่านก็แบบไม่เคยโกรธอ่างเงี้ยค่ะจนจนพอเริ่ม ส, สองเกือบสองปีที่หนูได้เข้ามาฟังธรรมะมันหนูเลยเริ่มรู้ตัวว่าโอเคที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะมันเป็นความอยากของหนูล้วนๆเลย พอหนูไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วก็เขาก็ก็เป็นด้วยความที่เขาตามอายุของเขาอะไรเงีแต่เราไปไปไปห่วงมากเกินแล้วก็ไปเอาความอยากของเราไปลงกับเขาอะไรงค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็เลยกลายเป็นรู้สึกรู้สึกน้อยใจว่าเออเราทําช่วงที่ยังไม่ได้ทำอะนะคะหนูรู้สึกว่าเออเราบาปเนาะเราแบบทาดีไม่ได้ดีได้ทําแถมว่าคนอื่นเขาไม่ทําแต่เขาก็ไม่ได้ทั้งเขาไม่ได้ไม่ได้บุญแต่เขาก็ไม่ได้บาปแต่เราเนี่ย แเราขายคนอาท่าทำไม่ได้เป็นท่าตายแต่เรากลับมาทำบาปเองใช่น้มันรู้สึกท้อตลอดเลยค่ะมีแต่ความแบบความท้อใจมันตลอดเลยช่วง<ม>ช่วงเข้ามาฟังธรรมะแต่ตอนนี้หนูเริ่มเขา้าใจแล้วโอเคก็คนที่เขาไม่ทําไม่ทําบาปแต่เขาไม่ทําดีเลยเขาก็เขาก็ไม่ได้บุญเนาะแล้วเขาก็ไม่มีบุญสะสมเพิ่มมันก็แค่เสมอเขาก็ไมเพิ่มขึ้นมาแต่หนูหนูอาจจะมีลุ้นว่าแบบ บาปมันอาจจะน้อยกว่าบุญบุญอาจจะพาหนูไปดีกว่าหนูยังมีโอกาสได้ด้วยแอะไรทำบุญอยู่เรื่อยๆค่ะก็ก็เดี๋ยวนี้ลดความลดความอยากของตัวเองลงค่ะแล้วก็ไม่ไม่เอาความห่วงไปลงกับคุณพ่ออืตัวเราเป็นแจ๋วดีกว่ารับใช้ท่านดีกว่าให้ท่านสั่งเราดีกว่าถึงต่อให้บ่นก็จะบอกคุณพ่อว่าแอนพูดแค่นี้นะแอนถือว่าแอนพูดแล้วก็เป็นร่างกายของพ่อ แอ mm hmm. นหน้าที่ที่แอนมีหน้าที่ทําได้แค่นี้ดูแลพ่อฐานูน่นฐานี่มาให้ตามที่พ่อต้องการแต่ว่าถ้าพ่อจะจะไม่ดูแลตัวเองก็ก็สุดแล้วแต่พ่อเพราะว่ามันเป็นร่างกายของพ่อก็ก็ใช้ใช้ใช้เอาธรรมะมาพูดนะคะคุณพ่อเขาก็เข้าใจคือหนูก็เหมือนกับใ ห, ให้ให้ท่านรู้ว่าเราเราเร า, เราทําดีที่สุดแล้ว่สุดท้ายท่านถ้าท่านไม่พึ่งตัวเองก็คือหนูก็ไม่สามารถดูแลท่านได้ทุกเรื่องเลยะคะ่ะ mm hmm. ไม่มีท่านก็ไม่อยากยจะพึ่งตัวเองเพราะท่านก็อยู่มานานแล้วท่านก็อยากจะไปมากกว่าก็ได้แต่ท่านแต่ว่าดโชคดีที่คุณพ่อหนูเขาเป็นคนไม่ไม่เขาเขาเป็นคนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชวนทะเลาะกันนะฮะคือต่อให้หนูทะเลาะถนาดไหนเขาก็ใจเย็นกับหนใูใช่เหมือนแบบว่ายอมเหมือนกับทําเป็นทําเป็นไม่ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะซ <laughs> ึ่งบางที บางทีก็กลายเป็นว่ายิ่งทําให้เราโมโหอะไรเงี้ยแต่อันนั้น<ม>แต่ตอนนี่เข้าใจแล้วตอนนี้เราเราเอาธรรมะมาได้ใช้หนูได้<ม>ได้ธรรมะช่วยเยอะก็ก็บ่นบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่นด้วยความโมโหแล้ะบ่นแบบโอเคจบพูดแล้วเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยค<ม>่ะอมีจุด <laughs> อยู่กับคุณพ่อสองคนเหมือนเหมือนเหมือนบางทีหนูก็บอกคุณพ่อค่ะว่าอย่าอย่ามองแอนเป็นลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีก็ให้มองแอนเป็นแค่แค่มนุษย์คนหนึ่งที่ ที่ไม่มีลูกไม่มีสา ม, มีอยู่คนเดียวกับพ่อเงี้ยบางทีแอนก็ต้องใช้แองก็มีอารมณ์บ้างเพราะแอนก็เป็นเป็นแค่มนุษย์นะเนาะมีมีความโกรธความความคิดความอะไรเข้ามาบ้างเงี้ยค่ะบ อ, okay, okay อกว่าโอเคโอเคเข้าใจอะไรเงี้ยก็แต่ดีอยู่บ้างสองคนของพ่อเหมือนเป็นเพื่อนพี่พ่ <ผม S 2> อให้ันจะเข้าใจเรามากกว่าเราเข้าใจตัวเราเองท่านเลี้ยงเรามา บางทีบางทีหนูก็เหมือนเมื่อก่อนก็จะโมโหใช่ไหมว่าทำไมทําไมเขาทําเป็นแบบทําเป็นหูทวนลมเนี่แต่ก่อนตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเพราะว่าท่านไม่อยากเสียเวลามาท้อกับเราอืก็ยอมยอมไปบ้างในอย่างนี้ค่ะรู้ว่าเรามันมีธรรมะมากกว่าเรายอมหยุดเย็นมีธรรมะแต่ก็ก็ก็ไม่ทุกเรื่องอะไม่ทุกเรื่องแต่ก็ก็ดีค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มี หนูสามารถคุยกับคุณพ่อเรื่องธรรมะได้แบบว่า ม, มีอะไรก็เอาธรรมะแซรกแทรกกันเข้าไปอย่าเงี้ยคุณพ่อก็เขาก็ฟังอะไรเงี้ยก็เหมือนมีเอาธรรมะมามาคุยกันในในในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อให้มันแบบใพยายามให้เขาปล่อยวางให้เขามีความสุขกับตัวเขาเองไม่ต้องแบบห่วงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอืมันนี้หลวงพ่อสอนหนูนี่แหละค่ะไปพูดยับยบใส่อะไรเงี้ยค่ะพูดมาในท่านคำคานี แต่แต่คุณพ่อหนูเขาก็อย่างมากเขาก็แค่ทําเป็นไม่ได้ยินค่ะคํานี้โอเคดีท่านใจเย็นอุเบก เ, เอะเป็นคนอุเบกถือว่าเก่งกว่าหนูเยอะบางทีหนูก็าหนูบางทีอย่างที่หนูไ ป, ไปโกรธท่านนะแต่มานั่งคิดดูอ้จริงๆล้วพ่อเก็งเราเยอะเลยเนาะเขาสามารถทําเป็นเงียบใส่เราได้ทุกเรื่องเลยแต่เเอาทุกเรื่องมามาถียเขาหมดเลยอะเขาพูดอะไรมาเราเถียงย้อนเขาหมดเลยแต่พอ เ, เราพูดอะไรไปคุณพ่อเงียบหมดเลย ทำเป่ไม่ไม่ไม่พูดแต่จริงเขาแค่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากมเรื่องไม่อยากม่เรื่องค่ะไม่อยากทะเลาะกับลูกอะไรอย่างี้ค่ะอืมดีโชคดีของเราแต่ก็ทำบาปไปเยอะค่ะทำบาปด้วยวาจานี่เยอะมากเลยหนว่พ่อหนูแบบแอบแอบเสียใจถ้าถ้าเราเรลองเปลี่ยนโพสิชันเราเราเป็นนคนบริการมันเครื่องสมองเพื่อความันพูดดยสาน่ง อย่งหนูนี่ลืมขถลงหนูต้องต้องอย่างนั้นบางคนพูดดิสันเพื่อนนี่หนูไม่กล้าเลยค่ะกลัวมีแต่แต่คนเสียงทุกเรื่องเลยอแต่พี่หนูหนูตั้งสัจจะแล้วนะคะหลวงพ่อต้นปีมันนี้ยหนูมาหนูจะมาบอกหลวงพ่อว่าหนูตั้งอ่สัจจะที่ฐานให้กับตัวเองค่ะที่หนูเคยบอกหลวงพ่อว่าหนูชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านถ่ยถ่ายมือถือใช่ไหมคะอยากรู้ข่าวอะไรอย่างเงี้ย หนูตั้งศัจจาว่าอ่าปีนี้หนูจะเล่นมือถือให้ให้น้อยลงจะไม่ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็จะใช้มือถือแค่เฉพาะแบบเรื่องงานธุรการทางการกับกั บ, บ, บคนจำเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องไร้สาระอย่าไปสนใจเสียเวลาเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าค่ะพอตั้งศัจจาวแล้วก็ทําได้นะคะหลวงพ่อมันมันเหมือนกับว่าเหมือนกับมันมีความละอายนี่นี่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ตั้งจิตอ่าที่ตั้งอธิษฐานจิตว่าค่ะว่าจะไม่จะไม่ไม่ไม่ดูมือถือพอจับมือถือปุ๊บคือมันลดไปมัีสติอันดีใช่แบบเหมือนละอายแบบโอเควางดูอะไรอย่างงี้คือแบบไม่ไม่ไม่เสียเวลาไปถ่ายอะค่ะคือลดได้หนูถาให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หนูรู้สึกว่าแบบเจ็ดสิบเปอร์ซ็นตแปดสิบเอร์ซ็นตต่อวันเนี่ยค่ะที่ที่หนูไม่ไม่ไม่ยอมดูมือถืออะลาง ทำอย่างอื่นเป็นมาเป็นต้นหรือเปล่ามันดูไปบพรว่าผานไปผ่านมันอาจจะเกิดความอยากดูมากขึ้นก็ได้เนี่ยแต่แต่แต่ว่าเนี่ยพอไม่ทํามาได้น่าจะห้าวันนะคะตอนเนี้รู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกรู้สึกดีก็ดีนะเบาสบายใช่ค่ะไม่ต้องรู้เรื่องใครอะไรอย่างเงี้ยอืมดีแต่ตั้งสัจธาแล้วค่ะคิดว่าคิดว่าจะทําให้ได้ค่ะคิดว่าทําได้อื พยายามทำ <resp. S 1> อยตลอดค่ะแล้วก็จะเอาเวลามาพยายามนั่งสมาธิดีค่ะค่ะค่ะพยายามฝึกไปก็โอเคดีปีใหม่นี้ทุกคนถ้าตั้งสัจจะได้ก็ดีจะได้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ก็ตั้งทีละเรื่องค่ะเพราะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องไหนที่ยังคิดไม่มั่นใจก็ไม่ตั้งค่ะเออถูกต้องอย่าอย่าลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเอง Mm. อยากเพื่อกว่าจะจะอะไรนะคะจะจะเลิกกินชานมไขม่มุกเนี่ยรู้ว่าคิดว่าคงยังไม่ได้เลย <Okay. S 2> <laughs> ของ <Okay. S 2> ชอบอไปก่อนกินวันละแก้วไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh, <laughs> ลดลดน้อยลงก็แล้วลดน้อยลง ล, ล, ล, <laughs> ลดอาจจะตอนนี้กินวันละแก้วอาจจะเหลือ uh. อจจืมสีแก้วสี่วันได้ไหมคะ<ต>ลดได้แล้วแต่แตแ ถ้านะมันเท่าเห็นโถ้อยของมันมันถึงจะลดได้ถ้ามันไม่เห็นถ้อยของมันมันก็จะยังลดไม่ได้ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อทารก็ตต่อไปเดี๋ยวจัดจะอันต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลองพยายามดูค่ะแต่ก็พยายามลดลดหลายๆอย่างในชีวิตเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เตรียมตัวที่บอกว่าเออไม่อยากมีอะไรไม่อยากมีอะไรเยอะแล้วค่ะคื อ, อคือ รู้สึกว่าพอได้ยิ่งมาเจอธรรมะหลวงพ่อที่เอามาให้พวกหนูอะค่ะหนูหนูกลายเป็นรู้สึกว่าไม่อยากซื้อไม่ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นแล้วอยากจะค่ อ, คอยๆเละมันทิ้งอะค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็โละไปได้เยอะแล้วแบบที่บ้านนี้ก็แทบจะไม่มีของไม่จําเป็นเลยมีแต่ของที่ยังเราใช้ประโยชน์เก็บไว้แล้วก็แล้วก็หนูอยากจะขายบ้านอ่าอีกหลังมีมีมีบ้านสองหลังใช่ไหมครเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีบ้านสองหลังแต่แบบ พอตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะเหลือแค่หลังเดียวพออีกหลังหนึ่งมันไม่จําเป็นเงี้ยค่ะอยากจะขายมีมากก็ทุกมากกับมันต้องดูแลต้องรักษาไม่มีแล้วก็สบายคิดว่าจะขายก็ก็รู้สึกว่าถ้าขายได้นี่มันคงจะโล่งเลยเนาะหรือแบบว่ า, วาเออไม่ต้องมามีภาระแต่ปัะเด็นมันคือมันยังขายขายยากจ้ะค่ะไม่ยาไปทุกกับมันขายได้กัข า, ขายไปขายไม่ได้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเละ มือนกันลํามนกันลมันกัไม่มีบ้านเหมือนกันแ้นใช่แล้วก็ไม่ทุกข์กว่ามันได้ลุงพ่อวพอวยพรให้ขายได้หน่อยได้ไ่เจ๊ะี่ะเป็นกิเลสเองนะอวยพรเป <laughs> ่นกิเลยก็บอกว่าสันโดษ ด, ดีสุดนะขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ดีความอยากความอยากอยากละค่ะ อ, อยากมีให้ น, น้อง <laughs> แต่อยาจะาจร่าทิงก็ยกให้เขาไปเลยแจกฟรีไปเลยเป็นทางไปเลยให้น้องให้ไทยก็ได้ที่เขาไม่มีบ้านอยู่เนาะเอยากจะได้ออกไปยังยังยั ง, ยงไม่ขนาด ย, ยังไม่เป็นพ่อเอนะยังไม่เป็นพ่อเอนอนยังอยากได้ตังค์มาเก็บไว้ใช้ใจ่ายเพราะแบบตัวเผื่อแก่ไปอยู่คนเดียวจะได้ยังมีมีเงินเอาไว้ใช้ใจ่ายได้หน่อย ก็เหมือนใครก็เชื่มันตอนี้มันก็เป็นเงินเพียงแต่ว่าเรามันก็มันก็เป็นทรัพย์สินอยู่ดีก็ให้มันมาตามมีตามเกิดดีกว่าจะสบายใจใช่เจ้าค่ะไม่ไม่หวังไม่หไม่ไม่ไม่อยากเจ้าค่ะอยากแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะผมก็โอเคมีอะไรไหม มีเจ้าคะ่ะจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะปีนี้พรุ่งนี้บินสั้นแล้วบินยาวบินไปญี่ปุ่นก่อนไปญี่ปุ่นแล้วก็ต่อฮาวายคะ่ะฮาวายอื ม, คมเครื่องฮาวายนี้มันมันมนกจะออกตอนสองทุ่มใช่ไหมออกก็ตอนค่ําใช่ไหมเออมีมีหลายไฟล์เลยเจ้าคะ่ะไไนี่หนูออกพรุนี้หนูไปไฟล์ที่หนูออกเนี่ยออกจากคันอซาก้าแถบของคุณจุ๊บนะคะที่คุณจุ๊บอยู่ไซก็จะเป็นประมาณสองทุ่ม แ ต, ตออถ่ถ้าไฟล์อื่นจากฮานิดาค่ะมีมีมีไฟไฟเย็น <White. S 1> ด้วยคือ<ม>คอ่ะเราเคยไปขึ้นเครื่องที่ฮานิดะดังนั้นต้องขึ้นตอนเย็นใช่ค่ะส่วนใหญ่ฮาวายจะเป็นไฟเย็นค่ะหกโมงไปแล้วเพามั น, นจะไปถึงเช้าพอนี้ถึงถึงฮาวายมาเช้าพอดีใช่ค่ะไปฮาวายถ้าหนูออกสองทุ่มก็ถึงประมาณเก้าโมงเช้าที่ฮาวายอ่าโน้ หรือแอบอ่นประวัติหลวงพ่อสมัยก่อนเห็นหลวงพ่อ ก, ก็ก็ไปมาหลายหลายหลายเมืองเหมือนกันนะเจ้าคะออที่ที่ญี่ปุ่นอะไรบินทั้งนั้นเลยก็ออใช้เครื่องญีแปุ่นที่ตัวของญีแปุ่นอะไรไปจากกรุงเทพไปถึงเอลเอลเลย่ก็หนูหนูดูหนูดูละดูดูรู้ที่คุณหลวงพ่อไปเที่ยวเ อ, อเด็บบินไฟดูกรุงเทพฮ่องกองโอซ า, าอก้าโตเกียวไม่ได้คข้างไม่ได้ประกาศจากข้างแต่มันถูก วันคับให้ค้างหกไปไปเปลี่ยนเครื่องไม่ทันก็เลยได้อยู่ฟรีนอนฟรีคืนหนึ่งเที่ยวด้วยได้เที่ยวด้วยมีแอพาเที่ยวด้วยอืแล้วก็ไปฮานาลโรแล้วก็ l อตอท่อหลวงพ่อก็ไปมาหมดแล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยมาแล้วก็มันก็เหมือนกันแหละเป็นบ้านมองมันอะไรเแต่มันอาจจะมีอะไรแปลกหูแปลกตาหน่อย แต่มั <c oughs> นก็ต้องกินต้องอยู่เหมือนกันทุกคนชู <c oughs> ข้าวมังไหนไม่ได้มันนั่งสมาธิแล้วเจอความสุขทางสมาธิแล้วมันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่ก็อยากอยากจะอยากจะเจอความสุขเอบบลมมาสุขที่หลวงพ่ อ, อพูดให้ฟังค่ะถ้าได้ถ้ามีโอกาสได้เจอคงจะ ด, ดีเดี๋ยวก็ได้ฝึกสติเยอะๆพระเจ้าจบอกไม่เจดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ไม่ยากหรอกอยู่ที่สติตัวเดียวเริ่มรุ่นที่สติให้ได้ก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อจะฝึกต่อไปเจ้าค่ะโอเคสาธุอุตสินทานอันนี้เป็นยังไงตอนนี้ไม่ไม่นั่งสมายที่เดี๋ยวทำงานในวันนี้ ใช่ค่ะธรรมสการค่ะวันนี้หนูต้องกลับมาทำงานแล้วค่ะพระอาจารย์หนูหยุดเหมือนไม่ได้หยุดเลยค่ะที่ช่วงที่ผ่านมาก็ยังต้องทำงานเกือบทุกวันเลยค่ะเพราะมันไม่มีคนทำแทนนะคะก็แต่ก็ได้มีโอกาสนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วหนูหนูได้เรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเต็มที่เลยค่ะคือ หลังจากที่สนทนานทำกับพระอาจารย์วันที่ที่แล้วอะคะ่ะหนูประสบอุบัติเหตุกับพระอาจารย์เอหนูพาลูกขับรถพาลูกไปส่งที่สถานีรถฟรถเอ่อเมโทรอ่ ะ, Metro, ะคะ่ะแล้วก็ขับรถอยู่ดีๆก็มีรถพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงจังเหมือนกับเขาเบรกไม่ได้เขาคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็หาที่เบรกไม่ได้ก็เลยชนเราอย่างจังเลยอะคะ่ะแล้วก็รถก็ล้อ หายไปเลยอค่ะพระอาจารย์แล้วก็รถมันถลายไปประมาณน่าจะสองร้อยสามร้อยฟุตได้อะค่ะแล้วก็มันก็หมุนหมุนเลยอะค่ะพระอาจารย์น่าจะหวหนังชนหน้าชนหลังชนข้างชนข้างค่ะพระอาจารย์มันเป็นอุบัติเหตุรถสาคันนะค่ะจริงๆแล้วมันไม่ไม่สี่แยกเลยค่ะรถธรรมดาเลยถนนก็โล่งหนูคิดว่าคือรถหนูอยู่ทางซ้ายสุดแล้วก็เขาสองคนอยู่ทางขวาค่ะแล้วเขาพยายามจะ เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันแบบกระทันหันนะคะแล้วรถรถข้างหลังมาไม่ทักหยุดไม่น่าจะหยุดไม่ทันเขาก็เลยชนท้ายแต่ไม่เยอะนะคะหนูดูแล้วเขาไม่เยอะเลยแต่หนูคิดว่าเผู้ที่ขับรถอะคะ่ะ<ม>เป็นคนสูงอายุแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจคืออาจจะไม่ได้อาจจะจับพวงมอะไรไม่แน่นหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเขาอาจจะไม่อยากจะไปมีอุบัติเหตุในแก๊สปั๊มน้ำมัน เขาก็เลยหมุนรถออกมาแล้วเราก็จังหวะเราขับออกมาพอดีหนูก็เห็นแล้วล่ะค่ะคือช่วงจังหวะนั้นหนูยอมรับเลยว่ามันหนูคิดว่าสติที่เราเคยสะสมมามันออกมาทํางานนะคะพระอาจารย์จยังหวะที่เกิดอุบัติเหตุนี่มันเหมือนมันเห็นอะไรชัดเจนไปหมดทุกอย่างเลยอะค่ะพระอาจารย์ slow motion ใช่ไหมหนูไม่หนูไ ม, หไม่หนูไม่คิดว่ามันเป็นโล o w motion แต่ว่าหนูรู้ว่าตัวเองมีสติเต็มที่อะค่ะพระอาจารย์หนูไม่ได้เห็นว่ามัน มันอาจจะสะโลนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันเร็วมากอเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเกิดไม่กี่วินาทีแต่ว่าหนูจังหวะนั้นเนี่ยหนูรู้รู้ไปหมดเลยะค่ะพระอาจารย์หนูเห็นไปหมดเลยรู้ตลอดเลยรู้ตลอดเห็นชัดเจน อ, อย่างสิ่งที่ไม่เราคิดว่าเราจะไม่เห็นเหมือนลักษณะภายในรถอะไรเนี่ยมันเห็นไปหมดเลยะคะ่ะแล้วลูกก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วหนูก็เห็นว่ารถมันพุ่งมาแล้วหนูก็เลยเร่งเครื่องเพราะว่าถ้าหนูไม่เร่งเนี่ยอุบัติเหตุมันชนตั้งแต่ประตูหน้าประตูหลัง ประตูท้ายรถยางจนกระทั่งถึงยางแล้วมันมันไป น, นิ่งอยู่ตรงช่วงยางอะคะ่ะที่ทําให้อะรถมันยางล้อระเบิดนะคะเอจังหวะนั้นหนูคิดว่าสติหนูอยู่ที่มือจับวงมาลัยอ่ะคะ่ะแล้วมันก็ถไถคือเราควบคุมอะไรไม่ได้เราหนูก็คิดว่าโอ้โหนี่มันคือประสบการณ์เราอาจจะเราอาจจะเสียชีวิตได้อะคะ่ะเพราะมันแรงมากแล้วหลังจากนั้นรถก็ขับไม่ได้อีกเลยแล้วเขาก็ เอารถโทรไปที่เคาน์ต้โทรยาร์ดเองไงนะคะคือรอรอออฟชั่นเลยอะคะ่ะรอเอารถเราไปออฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยท้ายท่สุดเลยอิ<ห>นชอนแลนด์ซื้อรถใหม่หนูก็ตกใจว่าเรถเราเมื่อกี้ยังขับอยู่ได้นี่เมื่อกี้โทรไปหาเขาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าถ้ า, อ, า อ, อินชนอนแลนด์ยู่ไม่มาพิกอัพรถนี่ไอจะออฟชั่นรถอยู่แล้วน ะ, ะแล้วก็กําหนดวันเวลาด้วยว่าวันที่เท่าไหร่หนูก็เลยแบบก็โทรไปเคลียร์กับประกันบังเอิญว่ารถเขาเป็นรถเอืม รถลีสอะค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วหนูก็ไม่ได้เจอคู่กรณีเพราะว่ารถเขาอยู่ในสภาวะที่น่ากลัวมากคือข้างหน้าหายไปเลยอะคะ่ะแล้วก็แอร์แบกเนี่ยมันพอบขึ้นมาทุกทุกทุกทิศทุกทางแล้วตัวของผู้ที่ขับรถมาชนหนูเขาก็ขึ้นรถขึ้นรถแอมบลเลน์แล้วก็ไปเลยอะคะ่ะหนูก็ไม่ได้เจอตัวไ ม, ไม่มีใครบาดเจ็บมากะบ้านบ้านหนูไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ คนที่ไปขับรถชนเขาข้างท้ายก็ไม่เป็นไรข้างหน้าเขาบุบนิดเดียวแตกนิดเดียวแต่คนที่ขับรถมาชนหนูเนี่ยหนูไม่ทราบจริงๆว่าเขาเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ว่าเขาคื อ, คอเขาอกเขาอาย่มากแล้วค่ะแล้วก็แล้วมันข้างหน้ามันดูน่ากลัวค่ะคือมันหลุดไปเลยข้างหน้าค่ะรถหนูมีแอร์แบกค่ะแต่ว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่ออกทํามันมันไม่ออกมาค่ะคือมันมันกระแทก มไม่ได้ชนตมันกระแทกข้างค่ะพระอาจารย์กระแทกค้างแล้วมันก็แล้วมันก็ล้อมันก็หายไปเลยล้อมันก็แตกระเบิดไปเลยอะค่ะอย่างนั้ น, นะคะก็คือมันไม่เที่ยงอ่ะค่ะพระอาจารย์พอถึงตอนนั้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยหนูคิดว่าหนูมีสติแต่พอเวลารถจอดแล้วมันช็อกใช่จัน <laughs> แต่ในใจไม่สั่นค่ะพระอาจารย์ใจไม่สั่นแต่มันรู้สึกแต่ว่าเราต้องทํายังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะอืมแต่แต่ว่าช่วงนั้นหนู หนูรู้สึกว่าควบหนูควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากค่ะลูกหนูยังชมเลยว่าเออควบคุมได้ดีมากมันเห็นมันเห็นว่ารถมันกําลังจะมาเห็นว่ารถพุ่งมาแล้วเห็นว่าเราถลายเห็นว่าเราแบบเอมจับพวงมาลัยเราต้องควบคุมยังไงเนะี่ยคือหนูโชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะอาจารย์แต่พออาจจะเป็นเพราะสติของเราก็ได้นะค่ะพระอาจารย์มันมันออกมาตอนที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะคะพรอาจารย์คือก่อนนะเวลาเราขับรถเราจะไม่เห็นอะไรภายในรถ ชัดเจนขนาดนี้แต่พอถึงเหตุการณ์ที่จำเป็นจะเกิดอะไรขึ้นนีมน่มันเห็นแล้วมันก็รู้ไปหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วพอเราจะไปเอารถอะคะ่ะคือเอจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้หนูไปเอาของในรถออกมาให้หมดพอหนูไปดูเนี่ยรถก็จอดอยู่ในเหมือนเป็นลานก ว, กว้างๆแล้วก็ในนั้นก็เป็นเหมือนสุสารนรถแล้วกับอาจารย์รถ mm hmm. ก็จับปุ่นแล้วยงเงี้ยแล้วใจก็มีความรู้สึกเสียดายว่าเขายัง มันหายไปแถบหนึ่งก็จริงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ยังดูดีอยู่เครื่องยนต์อะไรก็ยังดูดีอยู่มันจะต้องถึงขนาดที่ว่าซื้อใหม่แล้วเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีใจมันก็มีความรู้สึกแอ บ, บขุนมัวค่ะพระอาจารย์ว่าเอา้าเราก็อยู่ของเราดีๆอยู่ๆก็จะมีเรื่องให้เราต้องเสียเงินมากมายเพื่อที่ต้องไปซื้อรถใหม่โดยที่ประกันเขาก็แนะนําว่ากว่าหนูจะไปรอประกันสองสองเคสแรกเพราะรถมันคนที่เป็นความผิดจริงๆก็คือคนที่ชนข้างหลัง ไม่ใช่คนที่ชนหนูคนที่ชนหลังรถผู้หญิงแล้วมันก็เลยทําให้อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุสองสองรอบอย่างนี้ค่ะแล้วประกันหนูก็บอกว่าถ้าหนูต้องไปรอเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาถึงสามปีเพราะว่าแมลแลนด์เอ่อ ม, มันให้เวลาของเคสแบบเนี้ยสามปีเขาก็เลยบอกว่าให้หนูทํากับประกันดําเนินเรื่องกับประกันตัวเองไปเลยไม่ต้องไปรอเขา mm hmm. หนูก็แอบรู้สึกว่าโอ้ยัยงี้เราต้องมีเรื่องต้องมาซื้อรถใหม่โดยที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เรื่อง ว่าจะยังไงก็ hmm. แอ บ, บมุดหงิดอะค่ะพระอาจารย์ hmm. แต่พอใจคิดมาว่าเอาถ้าเรามองอย่างนั้นเราต้องมองใหม่ถ้าอย่างนี้มันเป็นทุกข์เราต้องมองว่าเราชอบสิเอาให้งั้นเราจะได้ลถใหม่มันจะทั้งมันจะได้เราจะได้ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยค่ะใช่การจะมองมุมไหนดีใช่ค่ะพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าธรรมะช่วยหนูได้มาก hmm. แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว hmm. มันก็จะเปลี่ยนความทุกข์ในใจเราได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าไปยึดติด ข, ของเก่าก็จะทุกข์ขึ้นมา เราที่หนูเห็นเนาะค่ะพระอาจารย์ตอนหนูไปเอาของจากในรถอะนะคะหนูคิดว่าหนูมีความยึดติดกับรถขนาดนี้เหมือนคิดเหมือนคิดไปเองว่ารถะเป็นปัจจัยที่ห้าในชีวิตเพราะที่นี่ถ้าไม่มีรถมันลําบากไงคะพระอาจารย์แต่หนูก็คิดว่าไอ้ที่เรามันอาจจะเป็นร่างกายเราหรื อ, อร่างกายลูกก็ได้ที่วางกองอยู่ตรงนี้แล้วเราอาจจะเป็นคนที่เหมือน เป็นวิญญาณมลาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองโลกในแง่ดีว่าณวันนี้มันเป็นสิ่งยึดติดแค่เพียงภายนอกขนาดร่างกายเรามันก็ยังเป็นภายนอกเลยนะถ้าเราพิจารณาดูดีๆเพียงแต่ณวันนั้นมันมีแต่ความรู้สึกเสียใจเราก็ผิดหวังนิดหน่อยอะค่ะแต่มันก็ได้มันได้คําว่าอนิจจังแล้วก็อนิจจังถูกข่ะอนักตานะแล้วก็ถบังคับไม่ได้ หนูมองทุกอย่างเป็นคือทุกครั้งที่หนูคิดเรื่องเนี้ยค่ะหนูก็จะมองเป็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงนี่ไงล่ะมันไม่เที่ยงเราโชคดีขนาดไหนที่เรายังมีโอกาสกลับมาได้กรับพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งมันก็มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องปล่อยไปแล้วหนูคิดว่าอ่า ม, มันเป็นอดีตไปแล้วค่ะพระอาจารย์ทุกสิ่งเกิดขึ้นหนูคิดว่ามันมันเกิดขึ้นเพราะว่า หนูคิดว่าอุบัติเหตุเหตุนี้ค่ะมันเป็นของหนูจริงๆหนูคิดอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนูมาไม่กสอกสร้างใช่ค่ะถ้าหนูขับรถตรงไปหนูก็จะไม่เจออุบัติเหตนุนี้ถ้าหนูขับมามช้ากว่านี้ห้าวินาทีหนูก็จะไม่เจอเร็วกว่านี้ห้าวินาทีก็จะไม่เจอแล้วก็มันไม่มีอะไรเลยอากาศสภาพอากาศก็ดีมันไม่ได้มีไฟเขียวไฟแดงถนนก็โลง่งมัน ม, มันไม่ได้มีอะไรเลยที่จะทําให้หนูต้องไปประสบอุบัติเหตุตรงนั้นได้อะค่ะก็คิดซะว่ามันเป็นของของเรา เราก็คือยอมหยุดเย็นจริงๆค่ะพระอาจารย์ยอมรับ <Hey. S 2> มันอนะ่ะคะแล้วมันก็คลายคลายทุกได้จริงๆค่ะพระอาจารย์ hmm. หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะสามารถทําใจได้ขนาดเนี้ยนะคะอ hmm. นี่ความาุกขของพระอาจารย์ธรรมะพระพุทธเจ้าได้สอนถ้าหนูไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้ศึกษาเนี่ยหนูคิดว่าหนูคงเสียใจมากๆค่ะพระอาจารย์อื hmm. มันเป็นบททดสอบในชีวิตจริงซึ่ ง, <Yeah. S 2> ซ, ง, ซ, งซึ่งมันยอมรับได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ hmm. มันยอมรับได้ อาจารย์ค่ะอันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสเฉยหนูก็เลยไม่ได้ไปสวดข้ามปีเลยค่ะพระอาจารย์เพราะมันเกิดเรื่องวันวันเอ่อก่อนปีใหม่ได้ได้ก็สวดข้ามไปได้ได้เจอปัญญาได้เห็นปัญญาเลยใช่ค่ะหนูพิจารณาปัญญาอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์แม้ว่าจะไม่มีสติไม่มีไม่ได้มีสมาธิมากเพราะจิตใจมันยังไหวแต่หนูคิดว่าหนูมีสติแล้วก็มีปัญญาพอสมควรในการไดรับเหตุการณ์ได้อ่ะพอพอพอได้ค่ะพอได้ ค่ะวันนี้ก็ไม่มีเอามากราบพระอาจารย์นะคะขอบคุณขอบคุณพรปริอาจารย์นะคะเอามาเป็นบทเรียนสอนใจอย่าประมาทไอ้ก็เกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลานาที่ใกล้ค่ะพระอาจารย์มันไม่เที่ยงจริงวันนี้วันนี้เราอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ค่ะเออนีถูกต้องค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และคําสั่งสอนของพระอาจารย์มากๆค่ะสาธุคุณค่ะอ่าจารย์สายเทียม เห็ดุดไปแล้เมื่อกี้เข้ามาแต่ต่อต้นกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมือถือมันเลยนิดหน่อยนึงค่ะเออเป็นยังไงร้านปิดร้านดิอ่ะร้านปิดแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่ไปไหนเพราะว่าตัวบ้านก็อยู่เดินเปิดประตูหลังร้านก็คือตัวบ้านถึงตัวอันนี้อยู่หน้าบ้านค่ะยังไม่ได้เคลียร์เคลียร์สต๊อกเลยเคลียร์บัญชีเลย ไม่ค่ะพระอาจารย์หลานตัวเองแค่แค่ปิดก็เสร็จแต่ว่าพรเอิญชา์แบตแล้วก็กลัวมันหลุดก็เลยอยู่กับพระอาจารย์ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นบ้านค่ะอืมมีอะไรไหมมาเนี่ <c oughs> มักลาขอตั้งหลักค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เหมือน <c oughs> กลับมาตั้งหลักใหม่ จัดจ่ยังยังไม่กล้าพูดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมกกลาดูซิว่าจะทําอะไรได้บ้างแล้วกุมภาจะต้องจัดจ่าแบบนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ตั้งมเมื่อยหรก็ได้ไม่<ะ>ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ให้เรามีความมั่นใจดีก่นเราจะได้ไม่หลอกตัวเรเองค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมกกลาดูว่าตัวเองทําอะไรได้แค่ไหนแล้วพ อ, อมันทําได้นิ่งก็จะตั้งสัดจ่าให้มันอย่างน้อยเท่านั้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดี ถ้าไม่ต้องไว้แล้วทำไม่ตั้งไว้แล้วมันโรเลยได้เปลี่ยนใช้ได้มันทํำก็ได้ไม่ทำก็ได้ปีที่แล้วไม่ตั้งปล่อยเลยท้ายสุดก็เว้ยวันนี้งานเยอะอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็หลุดไปเลยในเรื่องการทําสมาธิค่ะอืแต่ก็ใช้ปัญญาค่ะพระอาจารย์มีปัญหาก็ใช้ปัญญาตะก็เลยสงบสุขอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่า สมาธิไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะพระอาจารย์หลังจากที่หลุดไปพ อ, อเหนื่อยก็เนินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้ตั้งตั้งใจใหม่ค่ะกันเลยไม้แต่ลองตั้งใจกันค่ะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวคุมพาแต่มาตั้งสัจจะค่ะดียังไม่มีคําถามค่ะพระอ า, า, าจารย์ค่ะอย่างนี้เอาไปที่นี่ก่อนเอาที่ก่อนใหเวลาใกล้จะหมดนะ ไปที่คุณภูมิตาคุณภมจันทร์ปันวันศุกรครับอาจารย์ครับว่บางไงมีอะไรไหมครับวันนี้มีคําถามครับอาจารย์ครับพอดีก็คือผมก็เหมือนอาจจะตั้งสัจจะไว้แล้วครับแต่ว่าบางทีบางวันนะครับเราตั้งสติตั้งแต่เช้าเลยครับแต่เราก็เผลอไปทําตามความอยากโดยที่เราเผลอทํำนะครับแล้วพอเรารู้ตัวแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมา เราก็เลยต้องมาแบบหาปัญญาหาวิธีการแบบมามีสตริระบาตั้งตั้งจิตตั้งใจเอาใหม่แต่คือทุกครั้งที่เวลาเราเกิดความรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนใจเราเหมือนว่ามันมันเสียกําลังใจมันรู้สึกผิดกับอาจารย์มันจะมีวิธีการทํำยังไงให้เราแบบว่าไม่เป็นไรฉันเอาใหม่ดีได้ไหมเริ่มต้นใหม่เนี้ยครัอาจารย์กอต้องมีมาตรการลงโทษตัวเองบ้างเลยอ๋อครับอาจว่าต้องต้องเอาเงนไปใส่บาตรหรือต้องเอาเงนไปทําบุญอ๋อ คืต้องมีเงื่อนไขอ่ต้องมีมีโทษบ้างมันจะได้เฉดลามนี่มันก็จะแล้วไม่เป็นลายผ่านไปแล้วโอ้คราวหน้ามันก็เป็นอีกครับอาจารย์แล้วต้องลงโทษในแบบที่ทําให้เราสํานึกแล้วก็ไม่กล้าจะทําอีกใช่ไหมอาจารย์อดข้าวเย็นหรือเปล่าเงี้ยครับใช่ครับเอแล้วก็ครับอาจารย์แล้วก็เหมือนตอนเนี้ครับเหมือนผมก็มาตั้งตั้งข้อสังเกตครับว่าเอ้อทําไมแบบว่า โจทยชีวิตบางอย่างเนี่ยเราเจอมันทุกวันเลยเดี๋ยวมันก็ชนะมันเดี๋ยวเราก็แพ้มันผมก็เลยเหมือนอ่านหนังสือเล่มเนี้ยอาจารย์มันผมเห็นที่พระอาจารย์คุยกับหลวงตาครับหลวงตาท่านบอกว่าอะไรนะป่าคนกับป่าไม้อะไรเงี้ยผมก็เลยมงว่าเออจริงด้วยเหมือนเราอบบเดีเ๋ยวเราใช้ชีวิตในโลกเนี่ยครับเราต้องเจอผู้คนมากมายแล้วเราก็เหมือนว่าไปหลงกับอารมณ์คนไปเยอะเลยอะ่ะผมก็เลยเข้าใจว่าแสดงว่าเหมือนใน ในเดือนหนึ่งหรือในช่วงเวลานหนึ่งเราควรจะต้องเอาตัวเองออกมาวิเวกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ดีถ้าออกมาด้ก็ดีจะได้มีการมาเสริมกำลังใจให้เราครับไม่ไปรับกับเหตุการณ์รได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วก็สุดท้ายครับอาจารย์ครับเรื่องร่างกายครับอาจารย์บางทีเหมือนว่าเราอะ่ะเหมือนไป ป, ปลุกเปิดความสบายให้กับร่างกายเรามากเกินไปจนกิเลสมันกระพัวพุ่ของมันใช่ไหมครับเพะนั้น เราอาจจะต้องแบบผ่อนอะไรบางอย่างเช่นนอนในที่ที่มันไม่นิ่มมาแล้วก็เหมือนมันจะทําให้จิตเรามีอํานาจเหนือกว่าร่างกายแบบนี้ไหมครับอาจารย์ถูกต้องอันนี้รเราถูกกิเลสเราให้เรามาใช้ร่างกายเป็นเครื่องหาความสุขครับแล้วมันก็จะทําให้เราติดครับ ถ, ถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะทุกข์ครับอาจารย์ครับเราต้องลดการพึ่งพาร่างกายให้มันน้อยลงไป อยาหาความสุขผ่านทางร่างกา ย, ยาหมาหาความสุขผ่านทางนั่งสมาธิแทนครับอาจารย์ครับผก็เลยว่าจะอาจจะไม่ยามยังไม่อยากตั้งแบบทุกวันอาจจะแบบประมาณว่าถ้าไปไม่ได้ก็สินแปะ ก, ก็จะปึกดูครับอาจารย์ยสินแปะจะเป็นตัวที่จะช่วยกำจัดการพึ่งพาร่างกายครับแล้วก็เรื่องหนึ่งครับพอดีเหมือนตอนเนี้ยครับจิตผมแบบคือมันมีช่วงหนึ่งครับที่บอกว่าจิตใจผมแบบพึ่งพา คนคนหนึ่งแบบมากเกินไปครับแล้วก็ผมเองตอนนี้ฝึกอยู่คนเดียวอยู่ครับอาจารย์ก็แรกๆก็ทรมานมากครับแบบร้องไห้ท <c oughs> ุกวันไปรอแบบ <c oughs> อยู่คนเดียวไม่ได้ครับอาจารย์ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ตอนนี้คือกลับมาตอนเช้าไปทํางานข <c oughs> องต่างใต้กลับมาก็อยู่คนเดียววันแรกๆก็ทรมานมากพอล้หลังมา ก, ก็เริ่มอยู่ได้ครับอาจารย์ก็อต้องใช้สมาธิใช่ไหมครับเป็นเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมครับใช่ถ้าอยู่คนเดียวมันยังเหงาถ้ามีความอยาง แต่ถ้าเราทำสมาธิแล้วเราก็ลดความอยากลงได้คลดความอยากน้อยลงไปมันก็อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาใช่ครับได้ครับก็วันนี้มีเท่านี้ครับอาจารย์ครับอพรานั้นต่อถือศีลแปกับ น, นั่งสมาธิทั้งสองอย่างช่วยกันได้ครับได้ครับอาจารย์ถเาถือศีลแปดอย่างเดียวมันยังมีกําลังน้อยถ้ามีสมาธิด้วยมันจะมีกําลังมากขึ้นครับพรอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอสาธุจอยเย็น ค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะเป็ไงก็มาอยู่วัดปีใหม่ดีไหมดีค่ะอืมออกมาประกาศฮะตอนนี้ไม่เหมือนตอนเช้าเลยตอนเช้ามีคนละคนเลยวิ่งมาเองเลยวิ่งมากราบลงตาเลยนี่คนโตไปคนโตกลับไปโรงเรียนแล้วเหรอกลับไปเชียงรายแล้วค่ะ อือยู่กับคนเล็กกับคุณเอ่อคนกลางคนเล็กจะเป็นนี้กมมหกใช่ไหมเอ่อคนกลางค่ะมหกเอ๊ะมหาสมทรหาไรพี่หน้าค่ะเฮ้ยใช่ใช่มหาลัยแต่ว่ายังเขาลงมบูไว้อยู่มบูอ่ะก็ี๋อยู่ใกลบ้านหน่อยนะเขาไม่กล้าไปไกลแต่พี่ถามเขากล้าไปไกลได้อืมของหนุก็คือมีมีแต่กับคนนะคะต้องสู้แต่กับคนแต่ก็ พยายามเข้าใจ<ย>ให้มากขึ้นยอมใช่ไหมเขายอมหยุดเย็นดีไหมพยายามที่จะให้อภัยทุกๆคนที่ว่าเราพยายามที่จะแบบ อ, อยอมเขาไงยอมว่าปล่อยให้เขาดา่าปล่อยให้เขาว่าเราอย่าต่อสู้อย่าไปอย่าไปตอบโต้อตอออยอมหยุดไงยอมแพ้แล้วก็หยุดต่อสู้แล้วใจเราก็จะเย็นหนูเมื่อก่อนหนูเคยคิดว่าถ้าเรายิ่งทําบุญเรายิ่งทำอะไรเรายิง่งแบบเราจะ เราแต่คนค่อน้างๆเราจะต้องดีกับเราแต่เพเราสึกว่าเหมือนเรายิ่งทําแล้วเราเหมือนเรายิ่งอยู่ห่างจากพวกเขาอย่งนีก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวการทําบุญนี้มันเพื่อทำเพื่อใจเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเขาเนี่ยไหมค่ะทำเพื่อใจเรามีความสุขค่ะคือทุกอย่างอที่ใจเราเท่านั้นได้เราไม่เปลี่ยนคนอื่นเขาไม่ได้หรอกใช่เราทำมาให้ใจเรามีความสุขแล้วใจเราก็เย็นลงแล้วก็จะไม่ค่อยจะวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นก็ใช่ค่ะ การทำบุญการทำบุญที่จะได้ผลดีก็ต้องมานั่งสมาธิเนี่ยดีที่สุดค่ะแต่การทำบุญการใส่บาตรนี่มันก็มันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่กันเรื่องของคนเท่าไหร่นะอ๋อใช่ใช่ค่ะแต่วันท้นาที่ผ่าน ม, มาไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าไปส่งไอ้คนโตมกกันก็ไม่สะดวกไปแต่ถ้าสะดกไปเมืไหร่เดี๋ยวหนูก็จะไปะทำเหมือนเดิมแล้วก็หนูหนูอยากรู้เรื่องปีชมเพราะว่าหนูดูในเฟซ พระอาจารย์บอกว่าปีชงอะไยไม่รู้เลยที่สาวหนูบอกว่าเธอปีชงหนูบอกว่าหนูไม่ใช่หรอกหนูเป็นลู้สิษพระอาจารย์หนูไม่ชง้แน่นั่งไปชงชงกาแฟดีกว่าหนูก็เลยบอกเขาว่าไม่ชงทําบุญอย่างเดียวไม่ชงอยู่ที่กรรมปีกรรมทุกอย่างนี่อยู่ที่กรรมค่ะอเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนที่เราทําที่เราคิดใช่ไหมคะอืม ถ้าเราคิดดีมันก็คงใจเป็นสิ่งที่ดีกับเราดีแล้วก็สบายดีอย่างให้เราคิดดีแล้วก็สบายใจขึ้นมานะค่ะขอบขอบคุะคะ่ะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรวันวันพะวันวันวันเสาร์เลยออาทิตย์น้าวันอาทิตย์นะอ๋อแล้วก็ต้องพาแม่ไปเลือกตั้งอีกวัอาทิตย์ที่ถาย yeah. เชิงเซาตอนเช้าไปใส่บาตรก่อนแล้วก็พาเขาเขาเขาอยู่ถายเชิงเซาก็ยังไม่ได้ย้ายมาพัทยาเขาเลือตั้งอะรเลือกออตหรืออะไรไม่รู้อ่ะออต ดีค่ะได้อ้าอุอคุณหมอสุทภาพสนุนเป็นยังไงจะไปด่จอมค่ะท่านพา้อาวุโส ม, มีความสุขจากกับการปฏิบัตินะมีความสุขมากจอค่ะอืมดีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจอาค่ะท่านผาอาวาุโสเอเมนไันนี่คุณปูแเป้จะ ออกไปใสาบาตรแล้วไปไหนต่อตามนมัตการค่ะออกไประยองต่อเจ้าค่ะพราจารบ้านอย่างเนั่ น, นบ้านสามสาวทัศน์งานใช่ธรรมดานจะไปบ่อยไหมออกไปเป็นเอวันสําคัญอย่างเงี้ยคะ่ะเทศกาลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพาจารย์ไปเยี่ยมบ้านเพราะโรงงานสามีหยุดถิ่ได้ไปอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไปเยี่ยมบ้านสามีต่อค่ะพราจารเยี่ยมเพิเมืองอ่ะ อยู่เอ่อไม่ใช่ขาพยาบา์อำเภอบ้านขาบ้านข่ายค่ะพระบาล้านข่ายอ๋อใช่แ้วค่ะอืมก็เลยได้ปีก็แล้วแต่ครอบครัวจะไปเลยค่ะพระอาจาลแต่จริงๆแล้วก็ดูเฉยๆที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจากโคอยาไปก็ตามแว่มาสายบายก่อนแล้วก็ไปต่อเลยใช่ขาพอาจารลค่อยไปละย้อต่อไปทางไหนจำอย่างที่สายบาลแล้ว อาจารย์ครับไปใส่บาทปุ๊บพาเขาไปเล่นน้าทะเลที่พุมรุ่ีก่อนค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ายังไม่ไม่ยังไม่กล้าเล่นที่ระยองเพราะว่าคนตายเยอะอยู่ค่ะน้ําทะเลออืมใช่ค่ะบ้านค่ายบ้านค่ายไม่อยู่ติดทะเลใช่ไหมติดหรือเปล่าไม่ไม่ติดค่ะแต่ว่าถ้าไปตรงระยองตอนนี้ยังมีปัญหาทะเลเนี่ยว่าเลยมา เล่นทะเลแถวชนบุรีก่อนค่ะพระจันทร์ไปเล่นที่ไหนพัทยาเลยเออหนูไม่รู้ค่ะสามีขับไปพอเวลาสามีขับหนูเข้าสมาธิเลยค่ะพระจานทร์หนูก็เลยไม่ค่อยได้ดูทางอยากสามีกับลูกหนูก็ให้สามีกับลูกนั่งคุยกันอยู่ข้างหน้าหนูอยู่ข้างหลังหนูเข้าสมาธิอย่างเดียวพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าขยับไม่รู้ค่ะไม่ค่อยได้อยู่ทางกับ สามีกับลูกค่ะไม่ไม่คุยกันสองคนกัะอาจารย์ก็เลยจะไปด้วยแต่ว่าไปแบบเข้าสมาธิค่ะผอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจทางว่าจะไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะผอาจารย์ผอาจารย์คันพอดีหนูใช้ร่างกายใช่ไหมคะที่หนูมีปัญหาสมองผ่าจัดเยอะๆค่ะอาจารย์หนูก็เลยเห็นของดีทางใจตอนแรกเราให้ความสําคัญของสมองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ แต่พอมาได้ทางใจแล้วมันสั่งการมาที่่างกายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโอ้ไม่ของดีจริงๆตรงนี้ค่ะพระอาจารย์แบบว่าใจสําคัญกว่ากายค่ะพระอาจารย์เราได้จริงๆแล้วค่ะพระอาจารย์ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวโอ้ใช่เลยค่ะเรื่องแบบหนูก็เห็นของดีตอนแรกหมือนว่าถ้าสมองพังมันจะทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้ว โอใจเลยแล้วค่ะพระอาจารย์สมองมันเป็นผู้สั่งการเพิ่มประดามอวัยวะอีกทีหนึ่งการสมองทำอะไร่ก็ต้องไปนามันเพิ่มกำลาดไปจริงค่ะพระอาจารย์ก็แรกผมคิดว่ามันจะเป็นอัมพาตเพราะว่าเปิดกระโหลกไปตั้งสี่โลกพระอาจารย์ต่อก็ดีเลยมันยังไม่เสียหายมันยังทํางานได้อยู่ได้ค่ะถึงถึงถึงหน้าหนูจะพังอะไรอย่างเงี้ยกระจางครับพระอาจารย์หน้าพังเลยนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็ รู้ไปต่อได้ค่ะก็เลยโชคดีทางใจค่ะพระอาจารย์โอเคอาจารยตอบไปนะเจ้าค่ะโอเคไปที่คนหลาตอบคนหลามีคําถามกี่คําถามกลยนี่กราบนมสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คําถามจากทาง Facebook และ u ู u ูบเจ้าค่ะคําถามแรกกราบนมสการพระอาจารย์ครับการที่ภาวนาเราต้ okay. องอยู ism ism <an> okay. ่กับเวทนาทางกาย ควรเลือกปฏิบัติอย่างไรระหว่าง3มทางเลือกนี้ครับข้อที่1ทุกขอยู่ที่หนึ่งก็ให้เอาใจไปจับอยู่อีกที่หนึ่งไม่ไปจับที่ทุกเช่นถ้าปวดหัวก็เอาใจไปกำหนดอยู่ที่แขน2ทํทำใจสู้กับทุกข์ ที่เกิดขึ้นดูทุก์ที่เกิดขึ้นให้ชินชาไปหรือสามให้ท่องพุทโธเอาใจอยู่ที่พุทโธไม่ไปสนอย่างอื่นกราบขอพระคุณครับอยู่ที่พุทโธดีที่สุดแน่นอนที่สุดทําใจสง บ, บใจก็จะไม่ทุกกับอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้ <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณเล็กกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะ หลานชายติดพนันและมีหนี้สินซ้ำรากดิฉันช่วยใช้นี่ให้หลายครั้งเพราะสงสารแม่ที่ต้องทุกข์ใจแต่ปัญหาก็ไม่เคยจบสิน้นควรจัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรและสถานการณ์นี้เพื่อให้หยุดวงจรนี้ได้โดยไม่รู้สึกผิดต่อแม่ค่ะ อ, อ๋อก็ต้องบอกเขาสิว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะสมมติว่าจะช่วยเขา <c oughs> แต่ครั้งต่อไปก็บอกช่วยไม่ไหวแล้วนะ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่สามารถวางเฉยกับการเกิดแก่เจ็บตายถือว่ายังไม่ผ่านขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับยังขาดอุเบกขายังไม่มีสมาธิต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะมีอุเบกขาเพราะมีอุเบกขาแล้วก็จะปล่อยวางความแก่เจ็บตายได้ คำถามสุดท้ายจากคุณศรีวิไลกราบเรียนถามค่ะความไม่พอใจทุกสิ่งคือกิเลสและอวิชชาหรือไม่คะขอทราบวิธีการละความไม่พอใจในใจค่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็ให้วางเฉยให้ฝึกสมาธิให้มีอุเบกขาแล้ก็อย่าไปยินดียินร้ายกับอะไรสักแต่ว่ารู้ไปได้ยินเสียงเขาด่าเราเราก็ไม่รู้สึกยินร้าย การชมแล้วก็ไม่ได้ยินดีเฉยๆไปท่านมีอุเบกขาแล้วใจเราจะเฉยๆได้แต่ถ้าไม่มี อ, อุเบกขากิเลสมันก็จะทําให้เรายินดีร้ายขึ้นมาให้มายังฝึกสตินั่งสมาธิให้ ม, มากๆแล้วเราก็จะปล่อยวางไ ด, หด้หมดแล้วใช่ไหมครันถามุดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็หมดเวลาพอดีสําหรับคืนนี้ก็ mm hmm. ขอให้ท่านต้องนำมาเสี่ยงที่ท่านได้ยินได้ฝังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด